ทำภายนอกอห้น้อยที่สุดทำายในให้เยอะที่สายนอกทำเท่าทีทำได้ออยู่เป็นหลงดาเนีท่านเข้มงวดกดขันมางานภายนอกนี่ใครจะทอะไรหลวงตาท่านเ้มงวดกดขันนี่งานภานอกนาเดี๋ยวเราจะทำอะไก็ให้ทาแบบรวดเลย ทำเปรกิจทำเป็น เ, เนเื่องหวง่วนนะครับพราะ ก, ก็สร้างสติก็มีกาหนดงั้นเวลรราข้างก็ไม่ให้เลยเถอเพอเย็นแล้วก็ปล่อยให้เลิกไม่ได้เลยาาาทั้น้นางทีทำอยู่น้องนี่ข้างนี้มัก็ไม่ไม่ไม่หน่อพอเลื่อนไปเลื่อนไปเย็นแล้วก็ให้เลิกให้จีมันก็ทำ งานภายนอกมันในเชงรายสนับสนุนแค่นั้นเอยงานสนับสนุนงานภายนอกราชอบไปทำ ง, งานภายนอกซพเลย ง, งานภายในมันทิ้งไม่งมันทาไม่ได้เพราะงานภายในมันยาก้มันมีฝ่ายต่อต้านเยอะการให้ทําไปหลอกล่อเยอะหลอกล่อให้ไปทา ง, งานภายนอก มันต้องรอชีวิตเรามันข้นิดเดียวงานจะทำรายการของให้นอกมันก็มันก็แคนนเองเด็กชีวิตเราก็หมดเนี่เราต้องคิดถึงภายนอจิตใจของเราเราเกิดชาตนี้เราเราเราได้เพิ่มขึ้นนี้นหรือเราเราได้น้อยหนึ่งต่างงานภายนอกนี้เป็นงานที่ติดไปกับให แต่งานส่วอืไม่ติดไปสร้างวัดให้ใหญ่โตขนาะไหนสวยงามขนาดไหนเวานนานลาจ่ายไปจ่ายจ่ายแล้วกกไม่ได้ออกไ็ไม่ดีไปไม่ได้ก็ทไปถูกหนึ่งไว้ด้วยความห่วงด้วยความห่วงสร้างวัดแล้วก็ไม่ไม่ไม่ไม่ไปไปไปรับอานิสงส์ของของของการสร้างวัด เพราะเพราะเกิดอุปาทานเกิดความยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นวาาัดถ่องถันถึงสร้างไม่สร้างไม่เสร็จังห่วงยังกังวลอยู่ไอไอตัวนี้เลยมาขวางอนิสนงส์ของการเสียสละของการแข่งกันในทางไม่เลยแต่เกิดใหม่แต่เซวียนไหม่จะ ม, มาเป็นดวงจิญญาณ วานอยู่แถวบริเวณที่คนก่อสร้างที่ถึงอสร้าานไม่รไม่รอดะโยชน์การมาเกิดเป็นม่อเมื่อเปนบรรยกาศดีที่สุดในาพวค้าทั้งหนึ่งที่นตยของเซือที่ของกาทั้งหมดอยู่แล้ว้านี้ดีที่สุดพบของเมืมื่อดีที่สุด เหมือนเติมน้ำมันขับรดแล้วมื่นกี้ไม่เจอเัิมนี่ก็เป็นก็กังวลเนะเพราะน้ำมันหมดเมื่อไหร่มันก็ต้องเดินถ้ามีเติมเลือกไปเติมน้ำม่นมันก็จะได้มีน้ำมันพอให้รถวิ่งก็ได้คนขับก็สบายไม่ต้องเดินบุญกุศนมันก็เป็นเหมนน้ำมันเติมรถของเราทำใเราการเดินทางเราไปได้ยาว อย่างดีอย่างสะดวกอย่างสบายแต่ในสุคตินีวนเวียนอยู่ในสุคตไไไาาิไม่ต้องไปเกิดเป็นเดรเวรานไม่ต้องไปส่งนรกเป็นแตไว้บุญที่เราทําไว้ในขณะที่เป็ น, นมนุษย์พอหมดบุญก็กลับเรามาเกิดเป็นมนมุษย์มาสร้างบุญต่อสร้างบุญอย่งเดียวสร้างบุญอย่างเดียวละบาละบามันก็จะขึ้นไปเรื่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆเหมือนกับที่พระพุทธเจ้าทรงบำเพ็ญในสมัยเป็นพระโพธิสัตว์ การมาติดแต่ละภพแต่ละชาติก็บำเพ็ญดูงหนึงเดียวแต่เรามีทั้งจิตเนียที่พระเจ้าสิบชาติานี่ยบางชาตกจะทรงเน้นไปทางเราเนี่ยเรามีอย่างนี้อ ย, อย่างนี้ตุเบขานี่ก็ไม่พูดไทยเลยนะก็เป็นนิ่งเฉยปล่อยวางอายาอะไรก็เห็นแปล่อยวางงนั้นนิ่งเฉยไม่ตบโต้ เมตตาก็จะเลยเมตตาบาัณฑาอย่างพวกเราท้าเปรียกับคนอื่นเราก็ได้บำเพ็ญบุญมาเยอะมาถึงไปบุญกันฝ่ายบุญฝ่ายธรรมกายสนใจเรื่องทางเพศทางใจคนอื่นเยอะที่ไม่ไม่เห็นคุณค่าไม่เข้าใจเรื่องของธรรมะ ก็มีนมีคุณมีประยชนอย่างไรห็นไหมก็วิ่งแข่งขันหาหาชื่อหาเสียงกันถ้าเป็นนักกีฬาก็แข่งขันหาหารางวาัลหาหาเหรียญกันถ้าเป็นพ่อค้าก็แข่งขันเรื่องการค้าทำมาหาเงินแห้บริษัทใหญ่โตเป็นไปเรื่ยพี่จะไปท้งนั้นกันลยู ไมเคยคิว่ามันมีประโยชน์อะไรกับจิตใจนั่ตัเองมองไม่เห็นก็จิตใจมืดบอดมองไม่เห็นสภาพจิตใจของตัเองงเห็นแต่ที่เป็นเองได้มาแล้วก็ดูใจชั่วขณะหนึ่งนัเง่เแต่เวลาอืน่นที่ถูกความทุกข์ถูกความกังวลความปว้ ความหวงแหนความเสียดายความอะไรเอาวยู่ความผิดใจอะไรเหล่านี้ที่มั น, มนยุมงมร้อนจิตใจอยู่มองไม่เห็นเพราะมันเกิดขึ้นมาแลทนทนไม่ไหวก็ไปแก้โดยวิธีที่ไม่ถูกบางทีก็ไปซ้าเติมมันไม่ได้แก้ที่ที่ปัญหาที่แท้ พูดทางนอกคนก็จะเปลี่ยนทรงผมใหม่คนก็เปลี่ยนชุดใหม่ <c oughs> เปลี่ยนชื่อใหม่ <c oughs> เปลี่ยนบ้านใหม่เปลี่ยนห้องชุวยใหม่ <c oughs> ขยับโต๊ะขยับอะไรไม่ได้แก้ที่มันถูกพี่เลย <c oughs> แก่ที่จมันไม่แก้ใ <c oughs> จมันมืดบอดใจมันไม่เข้าใจ อายุของควนเรามันมีขึ้นมีลงเป็นธรรมดามันมีเหตุมีปัจจัยที่มันเนปลี่ยนแปลงเวลาขึ้นก็อยากจะให้ขึ้นเงไปตระไไม่อยางนัมัน ล, ลงเลยพอมันลงก็อยากจะให้มันยืดรีดขึ้นไม่ต้อไปหาทิ้งแฉไปหาหมอดูัปหาอะไรไปจังครั้งนี้การเป็นเหยื่อของพวกทีก่ปรตจะตุคามกราไม่ได้กัน <c oughs> ไม่ได้ศึกษาเพราทำสอนเป็นนพุทธแท้ๆมงคลรัเนี่ยสากศึษษากางนียอ่านเรื่องวิปปะมงคลรัน่แหละเป็นสื่ที่ที่ให้ให้เราได้มีความเป็นเสอย่างคให้เราได้สบความสุความเจริญะครจริงไล่ไปตั้งแต่ต้นจนกระทั่งถึงท่านเลยถึงงไว้ในมงคลสร เรืองต้น น, น, บบนั่นก็ขอให้พบบัณฑิตบัณฑิตให้พบคือคนฉลาดคนฉลาดที่สุดในในโลกนี้ก็คือพระพุทธเจ้าพระพุทธาลหันาหา ร, รู้จึงเห็นจึงไม่รู้แบบรู้แบบรู้ความรู้ท่วหัวตัวไม่รอรู้แบบต้มกเตอร์กเตอร์แล้วก็ถืป้องถือปออะไรนะให้ยาคนตายเป็นบ้าไ จะเข้าโรงพยาบาลบ้าไปเพราะความหลงไปเจอแพ้มาพิกาภาพนี่มันรู้ไม่จริงรู้ไม่ทำรู้ไม่ทำเกณฑกิเลสกิเลสของคนอื่นและของเราเรามีความโลภเขาเขาเอาเหยื่อมาล่อ เขาเอาอยู่มาล่อเราเราหลงพอหลงตังเขาเขาก็เราก็เปิดช่องให้เขาได้มาทำลายเราลาเานด่เป็นคำนที่ไม่ปกิดเตือยอย่างนี้ไม่เรีย ก, กเป็นบัณฑิตการคบคนไม่ใช่นะ ว, ว่าบัณฑิตนี่หมายไม่เลยหมาถึงคนที่จบปริญญาหรือคนที่ได้รับปริญญาที่เขาแจกันไรงนี้น เียกตวเว่าด็อกเตอร์ด็อกเตอร์นเ็ด็อกเตอร์ด็อกด็อกเตอร์เป็นคนดีเป็นคนดีอกยแความันเป็นคนมันติดอยู่ในยองนักแสนดุษฎีมันเด็กนี่ก็เ็เหมือนกัน สารเส้นสนั่นเองยกย่องมสารเส้นสนี่บุคคลคนนี้เป็นคนเก่งคนฉลาดไม่ต้องเรียนหนังสือรับก็ยินดีที่จะมอบเป็นอย่าันยานคนมอบให้มันก็เป็นคนโง่เหมือนกันถึงมอบใ <c oughs> <c oughs> คนฉลาดจริงๆกับไม่มอบเพราะมองไม่รู้ว่าคนฉลาดที่แท้จริงเป็นยังไง ก็วัดคนฉลาดด้วยเลือกคนงานคือการหางเงินหาทองของเขาถ้าเขาหางเงินเก่งก็เรียกว่าคนนี้คนฉลาดถ้าเขาสามารถแข่งขันชนะผู้อื่นได้ได้ตำแหน่งสูงกว่าคนอื่นแล้วไดเป็นนายยกได้เป็นอะไรก็จะถือว่าเป็นคนคนเก่งคนคนฉลาดคนฉลาดที่แท้จริงกับเห็นว่า เรไม่เห็นเรไม่รู้คนฉลาดที่แท้จริงคนอย่ามักจเป็นคนที่ธรรมดาธรรมดานะไม่มีไม่มีคนบอกจะไม่รู้เพราะตัวเองก็ไม่มีปัญญาที่จะไป็วัดทางมฉลาดของอคนฉลาดที่แท้จรองนะเหมือนกับวิทามในในในในพระไตรปิฎกเนี่ย ที่อยานยนต์คยๆไยินที่กมาเขียนเป็นเรื่องการมณิวาสิทธิมีอยู่การนึงที่พระพุทธเจ้าทรางเดินทางไปไปเมืองแล้วมีชายคนนี้ใช่่คชายคนนี้เป็นได้ทราบถ่าวว่าพระพุทธเจ้าอยู่เมืองที่ทารงเดินาาดท า, ยยางมามีศ ร, รัทธ า, ย า, ยายอยากจะประกาศพระพุทธเจ้าอยากจะใสพลังงาอยากจะได้รับ ความรู้จากพระพุทเจ้าเดินทางไปก็ไปดีไปแวะก่างทา ง, ทางไปพักแรมก็ไปที่เดียวับที่นู้เจ้าของทักแพ้เพื่อเรียนศาสนแล้วก็ไปศนกษาธรรมะแตนไม่ทราบว่าเป็นยังไพระธเจ้นนามีคำ ถ, ถามพูดเจ้าถามว่าจะไปไหนก็บอกจะไปหาพระพุทธเจ้าที่อยู่เจ้ <c oughs> าศาสนาไม่ดียวอะไรนึกก็คุยกรมาธรรมเสาสถาธรรมะเกี่ยวกับเรื่องปัญหา โรคแตกพวกอจัจฉริยอะไรต่างๆพระุทเจ้ า, า, าก็ไม่ทรงตออาเรเลยไม่มีความรทับใจในในการเผยแพร่ธรรมกับพระพุทธเจ้าเรื่อขึ้นก็ก็ไปสลพานพระเจ้าก็เดินทางต่อพระก็เดินทางไปมอหาพระพุทธเจ้าเดินไปกลางทางก็กสว น, น, น, นกับขาสาวลิบุตรข้าสาวลิบุตรก็เดิน ถ้าพระเจ้เดินทางไปทางทางนั้นก็จะจอเดินาตามไปรือยก็เจอกระฐานทั้งทางไไหนมาไหนพระก็บอกจะไปหาพระุทเจ้าอาจารย์บุตว่าอะไรไม่ได้เจอพระที่เดินอยู่ข้างหน้าเลยนะเจออยู่เหมือนกันกเป็นยังไงก็อย่างนั้นอย่างนั้นแหละพราะอาจรย์ก็ไม่ีย้ว่า <c oughs> อะไรอ่างนั้นเรไปเถอะ <c oughs> <c oughs> คนตลาดอยู่คนโนคนโคนโ้ก็ขาเขาออกแต่คนโน้ตดูคนตลาดไม่ออกนี่ใช่ไ <laughs> หมเหคํานับคพูดที่ว่าคนคนคนที่คิดว่าตัวเองฉลาดนั่นแหละคือคนโง้ตเพราะจะไม่มีโอกาสที่จะฉลาดได้เพราะเมื่อคิดว่าตัวเองฉลาดแล้วก็ไม่ต้องเรียนยไม่ต้องศึก ษ, ษาอะไรก็ แต่คนที่รู้ว่าตอนยังโง่อยู่นยคนนี้ก็ว่ามีโอกาสที่จะฉลาดนะั้นถ้าแาบได้แลยังไม่ยังไม่พ้นทุกข์แล้วก็อย่าไปว่ า, ว เ, าเป็นฉลาดเป็นตาถ้าฉลาดจริงแล้วมันต้องไม่ทุกกับเวลาขอให้เรียนจบทำทีพระไตรปดกเหมือนกับพระอะไรโพ ธ, ธิลัตหนึ่ พระวิชาเจ้าเจอหน้าทีไรก็บายพอที่นั่งพอที่นั่งเท่นี้นมันึ่งใบลายเปล่าอยู่ไปต่อเปล่าตายก็ตายไปเปล่าไม่เกิดประโยชน์อะไรเพราะเรียนเรียนท่องไว้อย่างเดียวจดจําไว้แต่ไม่ได้เอามาเอามาปฏิบัติไม่ได้เอามาชำระไม่ได้เอามาตัดกิเลยไม่ได้มาทำล า, ายสมุทยัยความอยากมันจะไม่หมดไปยัยงทุกข์อยู ต, ต้องเรียนไหวใจเจแต่ท่านก็นดีนะหลังจากที่พระพุทธเจ้าทรงตรัสสอนหลายๆครั้งน้องเจที่หลาก็พูดอย่างนี้ทุกครั้งก็เลยเกิดความสำนึกขึ้นมนาะว่าเทำไมพระพุทธเจ้าถึงมีสายเมตตาเราขนานี้เรคงจะต้องทำอะไรก็อย่างนี้ถ้าเราคิดไปนานตัวเองก็เห็นว่าตนยังไม่ได้ปฏิบัติก็เลย ที่ว่าถึงเวลาที่จะต้องปฏิบัติถ้าถ้าเราดีจริงก็พระพุทธเจ้าก็คงจะแม้กาเราเป็นใบใบดังเปล่าก็เลยก็เลยออกไปหาสำนักปฏิบัติซึ่งเป็นสำนักที่มีพระอรหันต์ทั้งหมดเลยตั้งแต่พระเทเรจนถึงสมมเนมเป็นเป็นพระอรหันต์ทั้งหมดในทั้งสำนักถ้าท่านก็ไปไปไปไปกลาวพระพอดีท่านย่งอยู่ มันอยู่ในศาลาตอนกันก็ไปหาหัวหน้าก่อนไปกราบพระหัวหน้าแล้วก็จากตัวจะเป็นฤกษ์ศิษย์หัวหน้าท่านก็เหมือนว่าเขาพรรษาก็น้อยกว่ารนี้ก็รู้น้อยกว่าถ้ า, าไปไปเด็กก็ไม่ได้รู้จัดเจอะไรนัท่านก็ปฏิเสธรต่ว่าคงจะต้องไปศึกษาก อ, องค์อื่นเพราะว่า ท่านก็ไปองค์ที่สององค์ที่สามเพื่อปฏิเสธไปเรื่อยนถึงสัมมนอี อ, องค์สุดทา้ายเป็นสัมมนเมณีสัมมณีก็เห็นว่าอผู้ใหญ่เขาปฏิเสธหัวนอนจะไปรับได้ไหมทำท่ า, าจะปฏิเสธท่าอาจารย์หหน้าท่านกะ็เลยสัมมนไม่โกรดท่านเท่าไหร่เลยไม่สเคราะห์ท่านเท่าไหร่เลยสัมมณีก็เลยรับไว้เป็นลศิษย์ ก่อนจะสอนก็เอามาใช้ดีกวอาใช้ล้างกระโถนล้างส้วมล้างบาตรซักผีวรนให้ไปหยิบข้าวหยิบของที่ตรงนั้นที่ตรงนี้บางทีก็ให้ลุยลงไปในนะ้ำของมนะันอยู่ในน้ำพอลงไปได้ขึ้นทางก็บอกเปลี่ยนใจไนมะ่เอาละ <c oughs> แต่พระเถรน้าท่านก็รู้สึกว่าท่านมอบ ก, กายถวายชีวิตให้กับจำเนนเลยจำเนนภาษาทาอะไรก็ ยอมยอมยอมรับว่าเขาเป็นอาจารย์ของท่านได้แล้มืนั้นก็ลองดูเพียงกระทั่งเห็นว่าท่านนั้มีคิสต์เลอยู่เลยถ้าเป็นแก้วน้ําก็เทน้ําเก่าออกหมดเลยไม่มีเหลือน้นําำม้แต่หยดเดียวตอนนั้นถึงจะเติม น, น้ําใหม่เข้าไปได้เหมือนที่อาจารย์นินการเพ็ญเขาเขาขพูดเรื่องเรื่องน้ําชาในแก้วเนี้ว่าถ้าจะจะเติมน้ําชาใหม่เข้าไปได้ แต่จะรีลดน้ำชาหน่อว่าเป็นไงก็ต้องเทน้ำน้ำชาเก่าที่มีอยู่ในแก้วให้หมดไปก่อนเททิ้งใส่ให้หมดอยเก็บไว้เลยอย่าลงเลยได้เลยแล้วก็จะได้เอาน้ำชามาเทเข้าไปใจของเราก็เหมือนกันทิฏฐิของเราคือความเห็นถ้าเรายังยึดติดอยู่ทิฏฐิความเห็นว่าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้คนที่จะสอนที่มันตรงข้ามกับทิฏฐิความเห็นของเราเนี้มันจะมีการต่อต้าน งเวาอยู่กับครูบาอาจารย์เรื่องกันโตเถียง ก, กันจึงไม่มีระหว่างครูอาจารย์มีแต่รับลูกเดียวอาจารย์มีหน้าที่เดี่ยวเดียวลูกศิษย์มีหน้าที่ฟางอย่างเดียวถ้าอยากจะโตก็แสดงว่าไม่ได้เป็นลูกศิษย์แล้วถ้าอยากจะโตแล้วไ ม, ไม่ไม่เห็นด้วยก็ไม่ว่าอะไรก็ไปหาอาจารย์อื่นไม่ได้หรือเป็นอาจารย์ของตัวเองก็ได้ก็อยู่องเดียวอ เอาทิฏิใช้ทิฏฐิของตนนั้นแหละไปไปปราบกิเลสของตันเองได้หรือเปล่านี่จะเนมือนกันก่อนที่จะสอนใครได้เคนสอนต้องมีความมั่นใจพอในระดับหนึ่งว่าคนคนรับนี่เขาเขาใจเขาเป็นกลางรือว่างจากทิฏิต่างๆเพะพอที่จะรับกับสิ่งที่เขาจะสอนก็ได้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 มันก็สอนยากมันก็ครูาอาจารย์ท่านก็ไม่อยาสอนเพราะฉนั้นเวลาแต่หาพระเนี่เวลาไปหาครูบาอาจารย์แต่และองค์นี้ถ้าไม่รักง่ายท่านไม่แสดงอาการอยากจะสอนอยากจะให้เป็นลูกศิษย์ท่านมีแต่จะคอยขับลล่คอยคอยปฏิเสธคอยแสดงความไม่ยาแสดูเพึ่อว่าจะมีพิถีไม่ไม่ ถ้าเาไปแสวงถ้าเราต้องการอะไรจากท่านจริงๆแล้วเราก็ต้องลดละทุกอย่างในตัว เ, เราไปให้หมดแต่เมื่อไหร่เนี่ยสมัยก่อนเขาสอนกันเข้าสอนกันอย่างนี้ทางธรรมะมันต้องสอนอย่างนี้มันไม่เหมือนกับทางโลกทางโลกขอใหมีเงินจ่ายถ้าเราเรียนเขาก็สอนจะเรียนหรือไม่เรียนจะฟังหรือไม่ฟังแล้วก็ไม่สนใจเพราะเขาไม่ได้สอนด้วยใจเขาไม่ได้สอนด้วยความโดยจิใจเขาสอนด้วยอาวิสินเจ้าง ห้อยมีเงินเนี่ยเพราะฉะามาเรียนได้แต่ทางธรรมนี้ท่านไม่ได้เน้นไปที่เรื่องของตอบแทนเพราะผู้สานผู้สานที่เพื่อรู้จริงๆท่านไม่หิวท่านไม่ต้องการอะไรไม่มีคกา ไ, ไ, ไ, ไม่ไม่มีคําเอยากจะได้อะไรอยากได้อย่างเดียวก็คืออยากจะให้คนที่มาเรียนได้รู้จริงๆได้ประโยชน์จริงๆเท่านั้นเอง เขาได้ไประโยชน์นันก็เหมือนกับหมอที่รักษาคนไ ข, ข้สมัยก่อนหมอเนเป็นหมอที่อุทิศตนจริงๆรักษาให้คนเข้าหายโรคจริงๆไม่ได้คิดว่าคนไข้จะมีเงินจ่ายไม่ไ ม, ม่มีเงินจ่ายทัใหเขาทุกข์แล้วก็รักษาโรคให้ต้องหาจากโรคใครค่าเจ็บได้ก็มีความศรัทธาเช่นเดียวกันกับครูบาอาจารย์ที่สั่งสอนใหเสร็จื่องหา ก็อยากจะให้ลูกศิษย์กหาได้รับพมจากทุกไถ่ตั้งจากเรียนสอนด้วยความเมตตาจริงๆเรียนสอนด้วยเอาเอ า, เอาใจใส่จริงๆก็ต้องท่านก็ต้องดูใจของลูกศิษย์ก่อนว่าพร้อมที่จะรับจริงๆหรือไม่ถ้าไม่พร้อมที่จะรับมันก็สอนไปก็ลําบาก คนที่จะรับมึงต้องพร้อมที่จะเสียสละทุกอย่างเพื่อธรามะองเดีย ว, ย ว, อ, ว, ย อ, ยวอย่างที่แม่แท้เนี่ยพูดเลว่าต้องสระได้ม้แต่ชีวิตต้องเป็นหลวงปู่ขาวทีองว่านิพพานอยู่ภาคกายถ้าไม่ยอมตายไม่ได้ไปนิพพานถ้ากลัวตายมันไปไม่ถึงเพราะมันจะมันจะเกาะ อ, อยู่กับ <c oughs> สร้างกาย <c oughs> ไม่ต้องกลัวตายเพราะความตายมันรอเราอยู่แล้วกลัวไม่กลัวมันก็มันก็เอาเราแน่แต่ถ้าเราไม่กลัวมันเราเราสามารถข่ามมันไปได้เราข้ามไปได้มันไม่สามารถมาทำลายใจของเราได้มันไม่ทําให้ใจของเราได้ถ้าเรากลัวเพียงแตคิดถึงมันก็ทุกข์แล้วมันไม่ทันเจอตัวมันเลยมันกระเสือหุ่นจะได้ยินเสียงมันกระสั่นแล้วมันไม่เห็นตัวมันเลย ถ้าเราไม่กลัวมันตัวอย่างมันมันจะไม่สามารถทํหน้าให้เราทุบได้เลยแล้งไงเมื่อเมื่อดูแล้วเห็นว่าเออใช้ได้แล้วทำได้แล้วก็เลยสอนทรหนะาให้ก็ยกยกยกตัวอย่างเรื่อง อ, อจอมปลวกที่มีตัวกระป๋อมอี่เข้าไปใส่ยอยู่ในจอมปลวกแล้วมีทางเข้าออกอยู่หก ทางนี่กันธรรมนเนียบอกถ้าอยากจะจับก็เจาะอยากจะเจาะอยากจะจับเอาเรียกกระปอมนี่กระปอมนี้กึ่งกลาะไี้ยเพื่อให้ปิดทางเข้าออกแค่ห้าทา ง, ทางปอดไม่ทางเดียวแล้วไปเข้าอยู่ทางนั้นเนี่ยทางที่เราเปิดเพื่ไว้มันก็ต้องเข้าออกทางนั้นมันออกทางอื่นไม่ได้นั่นก็ธรรมนเนียก็เปรียบเทียบว่าที่เล่ โลคโลกโกดหนงมันก็ออกไปห้าทางมันก็มีทางออกอยู่ห้าทางเหมือนกันออกทางกาหูจนุกลิ้กนกายและจเพรนั้นถ้าอยากจะจับมันก็ต้องติดก็ห้าทางติดกาหูจมูกลิ้กนกายหรือให้มีอินทรนีย์สังวรนั่นเองสำรวมตาหูจนุกลิ้นกายอยากไปดูในสิ่งที่ทําให้เกิดเกิดกิเลสอย่างเช่นมาอยู่ในต่าอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นการสํารวมไปโดยอัตโนมัติ เพราะตาที่เห็นด้วยภาพที่เห็นด้วยตามันไม่ได้ทำให้เกิดที่เืไม่เหมือนกับไปแถวชอปปิ้งพอเห็นแล้วตาลุกวางใจลุกวางไอ้นั่นก็ดีไอ้นี่นก็ดีอยากจะได้เนี่ยความยากก็คือที่เลืโลกทำอย่างนั้นแ็มร้านอาหารมีอาหารชนิดต่างๆก็อยากร <c oughs> ับประทา ก็ให้ปิดไว้สำรวมไว้อย่างมันคะนี่เขาเด็กให้เข้าวัดอย่างอะไรมาคืออินทรีสังวรไม่ดูหนังฟังเพลงไม่หาไม่ดูนอ่านหนังสืออะไรที่ทําให้เกิดความเกิดทางก า, ง า, งางมอารมณ์ขึ้นมาอ่านหนังนือธรรมะทําธรรมะฟังเทศน์ฟังธรรมแล้วก็มีสติอยู่ที่ประตูเข้าออกประตูสุดท้ายของ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 อยู่ในวัดนี่ก็ต่างก็ยังตีเหลยกก็ยังสกิขึ้นได้การที่จะภาวนาก็วาดปัญหาปัญหาเข้ามาคุยเรื่องน้ำเรื่องนี้คุยเรื่องไม่ใช่เรื่องธรรมะคุยเรื่องทางโลกอย่างนี้ก็จะทําให้จิตงงงาจิตไม่สบายถ้าจะจะคุยก็อาคุยเรื่องธรรมะคุยเรื่องนกน้อยสันโดษคุยเรื่องความเพีย สส เ, รเรื่องสถานที่สแรงกำรังนิเวกคือเรื่องศูนย์คืเรื่องสมาธิคือเรื่องปัญญาดังนั้นต้องคอยเศ้าดูใจมันจะไปได้สามทางทางมรรคทางมรรคทางสิเลตทางการหาและทางที่ไม่ใช่มรรคคือ ท, ทางบัตแต่ไม่ไปโทษก็ไม่เกิดประโยชน์ก็ไม่มีให้ไปทางมรรคอย่างเดียว ให้ยินดีในความวิเวกให้ยินดีการไม่คุกคีกันอ่าเมื่อสองวันก่อนนั้นก็ถึงพอดีเขาพูดถึงพราโมคคัลลาเขาก็เลยไปหาประวัติไปหาเกิดเรื่องของพระโมคขาลามาซึ่งก็มีมีอยู่หน่อยหนึ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสองพระโมคขาลาไว้อยู่สามประการด้วยกันหนึ่งในสามนั้นก็คือ ไม่ให้ยินดีกับการคุกคี ใ, ให้ยินดีกับการอยู่ตางมันทำ<ม>แล้วก็อี ก, อกประการหนึ่งประการแรกที่เกาคือไม่ให้ไม่ให้ชูงวงคือช้างมันชอบชูงวงมันชอบเบ่งทีอเราอยากไปชูงวงอยากไปคิดว่าเราเป็นคนระดับนั้นระดับนี้มีตําแหน่งระดับนั้นระดับนี้ คนจะต้องต้อนรับเราแบบนั้นแบบนี้เพราะถ้าเกิดเขาไม่ทำเนี่ย น, นะแล้วเราจะเสียใจเราทำตัวปเป็นเหคืนพื้นปกตูยังไงก็ได้ใครจะรับเราแบบไหนก็ได้ใช่ไหมแต่ที่ท่านเน้นก็คือการไม่คุดมคนืนกันปฏิบัติก็รักความวิเวก ว่าการอยู่ตารลำทางของเองเพราะเวลาอยู่ตามลำคลองนี่ยลำคลงให้เราจะได้ปฏิบัติได้เต็มที่เราจะได้ดูใจของเราแล้วเมื่อเราอยู่ที่ที่ที่ที่เรามีอินทรีย์สังวรแล้วทางตาหูสมุกทิ้งกายก็ไม่มีปัญหาอะไรก็เหลือหนื่งทางเดียวก็คือใจแล้วตอนนั้นเนี่ยมันจะได้จับกิหลสได้ เราคีเหล็กออกมาก็รู้พอรู้รเป็นคีเล็กก็ระงับมันไประงับมันไปต่อไปต่อไปมันแค่แจะหายไปมันก็จะหมดไปที่แปลว่าหลังจากนั้นไม่นานท่านก็ได้บรรลุนะอาจารย์อาจารย์อาจามาเนรที่เป็นท่าอราที่นี่สอนสอให้กับพระเสด็จเราไม่ยากเลยฟัง เปิด5ทางมันดูเป้าอยู่ทางเดียวเท่านั้ทางที่โลกงกดลงมันเข้าออกมันทางทางใจออก็พ อ, อ, อมันจากใจแล้วมันมีมีมีมีสิ่งที่คอยล่ออยู่ภายนอกมันก็มันก็รับกันได้เลยเราไปมองเห็นทางตาเห็นอะไรถูก อ, อกทุกใจก็อยากเป็น้าขึ้นมาหรือเกิดความมันเกียขึ้นมาก็เป็นความทุกข์อีกแบบหนึง เวลาเกิดความยินดีก็เป็นความทุกข์แบนเป็นความโลภแล้วเกิดความยินร้ายไม่พอใจมันก็เกิดความหุดหงิดใขึ้นมาก็เป็นความทุกข์ชีวิตของเรานี้ยซึおお่งวันนี้ก็พุ่งเปี้ยนอยู่กับไอทางห้าประตูเนี่ยห้าหประตูจับมันไม่ได้จัมันไม่ทันทีก็ตอนไหนเราทุกข์ตอนนั้นเราก็ไม่ทันเตอนไหนเราร้องไห้เราก็ไม่ทันตอนไหนเราโมโหเราก็ไม่ทันเลย นายดวาววาดวิตกขึ้นมาก็ไม่ทำเลยต่หมอเราเข้าส้อยน้ อ, อยเหวาก็ไม่ทำานะถ้าทํามันรับใจเราจะต้องเฉยสบายพอมันจะโผล่กมาปั๊บก็จัดมันได้ลเลยไอ้ตัวนี้แสดงตัวไม่ได้ข้ามหลอกมาออกมาแล้วสร้างความยินวายส้างปันหา นี่ยก็ต้องมีสติดูที่ใจเนี่ยเมื่อเราได้ที่ที่สงบระดับแล้วทีนี้ก็มีหน้าที่ดูที่ใจนี้เท่านั้นองดูถ้าว่าจะให้ดีอย่าไปท่านลูกรูปรับมันเราสวนมันเข้าไปดีกว่าเอาธรรมะอาดเข้าไปเลยหวานใจให้เห็นความจริงต่างๆเพราะความหลงนี่มันมันเป็นพื่นอยู่ในใจใช่ไหม ควหลงมันเป็นต้นเหตุที่ทำให้เกิดความโลภเกิดความโกรธขึ้นเราไม่เห็นว่าสิ่งที่เราโลภเราโกรธนี่ยมันเป็นเพียงดินน้านมไฟข้างล่างมีอะไรบ้างในโลกนี้ที่ไม่ใช่มาจากดินน้านมไฟลองถามตัวเองหน่อยก็มีทองฟ้าดังนันที่มีมาจากดินน้ำมนมไฟอากาศสภาพมันก็ก็มาจากอากาศสภาพทองฟ้ามันก็เป็นอากาศสภาพ นั่งใจของเราตัวรู้นอกนั้นก็เป็นดินน้ำเงินใจทางการของเรานี้ก็มาจากข้าวที่เรารับประทานอาหารที่เรารับประทานเอาหารมันก็มาจากต้นไม้ใบย้าจากเนื้อสัตว์ต่างๆเนื้อสัตว์มันก็ต้องกินหญ้ากินข้าวกินผักมันมันก็มาจากดินน้าเงินใจแล้วของสวยๆงามๆต่างๆที่เราหลงไป อยากจะได้กันนะขนาะมันก็มาจากดินน้าเหมือนกันเชือกผ้ามาจากเชืผ้ามันก็มาจากดินน้าเหมืนกเทพนิ่มจินดามันก็เป็นมันก็เป็นวัตถุเป็นธาตุธาตุดินน้ำมันไม่มีอะไรมันไม่มีค่าอะไรของมันอยู่ในตัวแต่ความหลงของเราไปทําำมันเกิดคุณค่าขึ้น พอเราใส่เม็ดถ้าเม็ดอย่างนี้คนก็ใสะะ่แล้วเสนเย็อมองแล้วอิดช้าตาวาวขึ้นมาทำให้เรามีความรู้สึกเรามีคุณค่าขึ้นมาเนี่ยคือความหลง เ, เห็นสิ่งที่ไม่มีคุณค่าว่ามีคุณค่าเราจึงต้องสอนใจเให้ให้เกิดปัญญาเพื่อจะได้จะทํานามเนื่ย จะเห็นว่าของทุกอย่างในโองนี้คุณค่าของมันเกิดจากการสมมติกันขึ้นมาเท่า น, นั้นเองในสมัยตอนเด็กๆเราจะมาชอบเด็กๆสมัยนั้นชอบเก็บทองบุหรี่ทองเปลา่าแล้วก็ตั้งคุณค่าเก็บทองก็ราคาหนึ่งพระจันทร์ก็ราคาหนึ่งลุงทองก็ราคาหนึ่งแล้วก็เอามาเล่นกันเอามาเล่นการทำงานกันก็นคือเล่นไพ่กันแล้วก็ไม่มีไงก็ใช้เงินทองนี่แหละ โอ้ยจนกระทั่งต้องเดินไปเดินตามเก็บตามร้านกาแฟที่เกินแล้วถึงแมพอเห็นแล้วเคลียเป็นเงินเป็นทองขึ้นมาเลยเนี่ยมาตามหลงขนาดเด็กๆมันก็หลงมันก็หลงกลามได้แต่แตคนนี้ไม่หลงอ ย, อย่างผู้ใหญ่มองก็ว่ามันเอาไปทำไมควาไม่หยุดแต่เด็กมันหลงหือเหมือนสมัยนี้เวลาที่ก็มีขนน แล้วก็มีของแถมอะไรเข้ามาในในจอบมีจับฉลกจับฉลานี้เด็กผู้ใหญ่จะได้กัน mm. แต่ผู้อหญ่ดูแล้วมันจะไปทำไํำไงเรากไม่ไปติดตามขาดต mm. ิดตามว่าของของของชนิดนี้เขาแจกอะไรบ้างเขามีอะไรบ้างฝาเปิดบางทีเปิดแล้วก็โยนขึ้นไปไม่ได้สนใจไปกนดูที่ใต้ฝ า, าว่ามีอะไรบ้าง mm. แต่คนที่เขาดู ความจริงว ค, คนที่รู้เนี่ยคนที่ถูกหลอกถูกหลอกให้หลงว่ามีคุณค่าอย่างนั้นอย่างนี้่ น, นวัตถุมันก็มีความเป็นเพียงแต่เพื่อสนับสนุส น, นร่างกายเราเนั้นเองเราะต้องดีดินหน้านเงไนไว้สาหรับคอย หลอเลี้ยงร่างกายให้อ่างกายได้อยู่ไปแต่การอยู่นั้นอยู่เพื่ออะไรอันนี้สําคัญกว่าอยู่เพื่อมาหลงกับวัตถุหรือว่าอยู่เพื่อมาให้รู้ธรรมวัตถุให้ปล่อยวางวัตถุต่างๆ อ, อันนี้คือสําคัญเราจึงต้องพิจารณาให้เห็นว่าทุกอย่างที่เราไปหลงเหวี่ยงนี่มันเป็นวัตถุมันเป็นสมมุติ ไม่ใช่ของจริงไม่ได้ไม่ใช่เป็นความเจริญที่แท้จริงไม่ได้เป็นสมบัติที่แท้จริงสมบัติที่แท้จริงอยู่ในใจของเราอยู่ในใจที่ได้รับการกดเครื่องจากความกดดันของความหลงความหลงนี่เป็นกดดันให้เราอยากมีอยากเป็นเวลาเราน้อยหน้ า, คาใครนี่เรารู้สึกเสียใจยถ้าเครื่องเราไม่ได้ดีกับเรา เพื่อนสอในชั้นได้คะแนนดีกว่าเราแค่นี้เราก็เสียใจแล้วถ้าเรามีปัญญาเราก็เฉยอๆเขาดีกว่าก็มันก็เป็นความสามารถของเขาแคท่านั้นเองเขามีอะไรมากกว่ามันก็มีแต่หุนมีแต่มีแต่ปวดมีแต่ก้อนอีกก้อนปวดก้อนตายแค่นั้นเองมันไม่ได้มีคุณค่าอะไรต่อให้เป็นเพชรน้อยก็หลับมันก็เป็นก้อนหุ่นก้อนอย่าง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 อยากจะไปก็พักโรงแรมก็พักโรงแรมห้าดาวถ้ารับประทานอาหารก็รับประทานอาหารมีเงินแสนสองแสนเดือนวันทุกคนรแสนไม่พอแลวมันเนี่ยเพราะความอยากในในการมาลดนี้เองที่ทำให้เราหลงกับวัตถุการกันทุกวันนี้ที่เราออกไปทามาสิ่งอะไรก็ไปเอาวัตถุมาไั้ ในได้กระดาษมาทำงานขึ้นเดือนเขาก็ให้กระดาษมาแต่กระดาษนี้มันสามารถเราไปแลกสิ่งที่เราอยากได้เองแต่ถ้าเราไม่อยากจะดื่มวาไม่อยากจะกินเล้าไม่อยากจะเที่ยวไม่อยากจะนอนโรงแรมนี่นนะมันแค่นี้เราไปทำเลยไม่อยากจะมีเสื้อผ้าอะไรเลยเนะี้อย่างเป็น้าพระก็มีแค่นี้ให้ ง, นงนินมาจะไปทาำเลยนอกจากก็ามาดูแลวัดว่า ข้ามแซมจิตวิหารมือสงเคราะห์โลกไปข่าไม่มีเหลือเห้ือแจ่มขเป็นสงเคราะห์โลกคนที่เหลือคนที่คนเดียดน้องต่างไนั้นเอคนที่มีจึงต้องคนที่มีต้องทำแต่คนที่ไม่มีไม่ต้องทำเนี้ยแต่ถ้าีเมื่อมีก็ต้องออกไปทําเพราะเห็ไว่ามันก็มันก็ไม่เกิดประโยชน์ะสองมันก็เป็นเป็นความไม่ฉลาด มีแล้วเก็บได้ถเฉยมันก็ไม่เปลี่ยนแปนีไม่รีอาจจะเป็นโทษจากตัวเองถูกจอผู้ร้ายมันมาพ้นมาที่มาฆ่าเพื่อจอครับที่เรามีอยู่เราต้องศึกษาต้่งสอนใจเราให้รู้ให้รู้ทานครรมหน่อยพอใจเห็นเชื้อผ้าทุกหมายต้องรีบจัดแล้วบอกเยนี่ก็เป็นเื่องค่เสื้อผ้า่าั มี่ว่าค่เพียงปกปิดร่างกายแค่นั้นอตอนนี้เราก็มีมือเซ็นสู้แล้วขึ้หนหาันก็ปกปิดด้านเหมือนกันเรามาวิเศษเป็นทางนั้นทางด้านจิตใจดีกว่าเรามาวิเศษด้วยการไม่โลกดีกว่าราวิเศษด้วยการไม่โกรธดีกว่ามาวิเศษด้วยการไม่ทุกข์กับเรื่องอะไรดีกว่าดีกว่ใส่เสื้อผ้าสวยๆงานแล้วใจร้อนเป็นไฟ ใครพูดอะไรนิดไม่ถูกใจก็ก็ก็เดิอดเปนเดือดเป็นแข็งไปแล้วมันจะเกิดประโยชน์การทำใจมันให้เย็นให้มันสงบให้มันสบายให้มันจะ็นเด็กขาไม่ว่าเราจะมาสัมผัสมากระทบจะไม่ไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับใจได้เลยอย่างนั้นแหละเป็นของวิเศษ ทุกวันนี้เรายังมีอะไรที่กระทบเราอยู่เราควรพยายามแก้ไขอะไรที่ทำให้เราวุ่นวายใจํงางใจเราต้องแก้ให้ได้แก้ด้วยปัญญาเพราะปัญหามันเกิดจากความขาดปัญญาลดละลดความหลงนี่งมองไม่เห็นว่าสิ่งที่ทำที่เราไปหลงไปกังวลแล้วมันก็เป็นแค่ก้อนดินน้อาอยู่ในใจแล้วมันก็ต้องเป็นต่อตามเรื่องของมัน คือหนึ่งมันเป็นอนิจจังหนึ่งของไม่เชี่ยงไม่ว่าจะเป็นร่างกายของใครมันก็เหมือนกันเท่านั้นเดี๋ยวมันก็ต้องไปสู่ขั้นตอนของมันแก่แก่เสียตาสองมันก็เป็นกรรมของมันมันมีกรรมของมันอยู่ในตัวของมันมันจะไหลไปทางนี้เราจะพยายามจะดึงให้มันไหลไปอีกทางหนึ่งดึงแงมันก็ไม่ไหลไปหรอกมันก็จะไหลไปตามทางของมัน เขาถนัดมือซ้ายเนี้ยเราจะไปให้เขาใช้มือขวานี้เขาก็จะใช้มือซ้ายของใครนอกจากถูกบังคับจริงๆเขาก็จะใช้มือขาแต่พอถ้าไม่มีใครบังคับเขาเขาก็จะกลับไปใช้มือซ้ายครับเขาชอบสีแดงเนี้ยเราจะให้เขาเป็นชาบสีเขียวเอาไม่ชอบเรื่องเป็นเรื่องของก ร, รอย่างเี้ เรื่องของกรรมหนึ่งเรื่องของ อ, อนิจจังหนึ่งเราต้องยอมรับแล้วเราจะได้ไม่ทุกข์นะถ้าไม่งั้นเราก็จะทุกข์ไม่ก็จะเป็นอนิจจังทุกขงังอนัตตาเพราะไม่เห็นสองตัวไ ม, นนไม่เห็นอนาาิจจังไม่เห็นอนัตตาอนัตตานี้ก็คือกรรมหนึ่งการการที่คนนั้นคนนี้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เขาก็เป็นของเขาอย่างนั้นมันก็เป็ น, เ ป, นเป็นเป็นหมือนอนัตตาเราไปควบคุมเัาไม่ได้เราก็อยากให้เขาเป็น อย่างอย่างที่เราต้องการไม่ไบ้ามื่อเราไม่เห็นอนิจจงไม่เห็นอนัตตาเราก็จะทุกข์ขึ้นมาถ้าเห็นแล้วมันก็จะไม่ทุกข์อริจจังอนัตตก็ยังมีอยู่มันก็ยังเป็นอยู่แต่มันจะไม่มาสร้างความทุกข์ให้กับเราตัวแกเจตสัตายก็ยังมีอยู่กรรมของสัตวก็ยังมีอยู่สัตวก็จะทําก็จะเป็นอะไรอย่างไรมันก็เขาก็ต้องเป็นไปตามนี้นะครับ แต่จะไม่มาทำให้เราทุกข์ใจด้วยเราต้องสอนใจอาัดาเข้าไปเรื่อยๆเพื่อจะได้มีข้อมูลมาแก้แก้แก้ความหลงเวลาความหลังแสดงอาการออกมามันจ ะ, สะแสดงผ่านทางาาทางโลภผ่านทางความโกรธทางโกยก็เป็นผลที่เกิดจากความโลภ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 วันไไวันหนึ่งก็อยู่ไปเรื่อยๆสบายๆจนกว่าจะหมดหน้าพี่หน้าี่ก็จบร่างกายมือมันไม่ทำงานไปแล้วใจก็ไม่ได้ไปไหนใจก็อยู่ของมันอยู่นั่นๆไม่ต้องไปเกิดใหม่ไม่ต้องไปแก่ไปเจ็บตายม่้องไปทุกไปวุ่นวายกอะไรก็ต ทุกเยี่ยมมีกับผู้ไม่เกิดเท่านั้ตนตาบใดยังมีการเกิดอยู่แม้จะเป็นทุกที่ดีทุกที่ละเอียดเป็นเทศสเป็นทรมก็ยังเสื่อมได้ยังเป็นอนิจจังเดิมจากชั้นทรมลงมาสู่ชั้นเทศมันก็เหมือนกับจากเศษผิวหมื่นล้านมาเป็นเศษผิวพันล้านคนที่มีหมื่ล้านแล้วมันเหลือพันล้านนี่ก็ทุกเรื่อ แต่คนที่มีร้อยล้านถ้าได้ได้ได้พันล้านนี่จับไม่ทุกแต่คนที่มีหมื่นล้านแล้วได้พันล้านนี่จับทุกทั้งที่ได้จํานวนเท่ากันเพราะงั้นจ้านี่มั น, ม, น, ม, นมันมั น, น, มมนมีความเสี่ยงเมื่อมีมีความเสี่ยงมามันก็มีความทุกข์ตามแต่ถ้าไม่มีพบไม่มีจ้าแล้วมันก็ไม่มีทุก รถ้า้จะไม่มีได้ก็ต่อเมื่อไม่มีเชื้อไม่มีตัวคอยถุกลากไปก็คือความความอยากทั้งสารความอยากในการมาลดอยากในนเสียงกลิ่นลดสดต่อความอยากีอยากเป็นอเป็นด็อกเตอร์อยากจะเป็นนายกอยากจะเป็นอะไรก็ตามความอยากต่างๆเนี้แล้วก็ความไม่อยากเป็น ความอยากไม่เป็นอย่างนั้นไม่อยากอย่ชนอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายไม่มีขอยากเรื่องอนี้อยากไม่จนนี่เ็อยากอยากไม่ไม่ไม่ลาบากอยากจะสบายถ้ามีความนิสัยเหล่านี้อยู่ในใจมันก็จะเป็นตัวที่จะฉุดรากฐานให้ต่อไปต่อไปต่อ มันก็ไปทุกข์กับเมื่อไม่มีแล้วมันก็จะอยู่เ่เฉยสบายมีความอิ่มมีความพอเนี่ยความสุขความอิ่มความพอของใจมันไม่ได้เกิดจากการได้แต่เกิดจากการให้เกิดจากการเสียไปเสียสิ่งที่เกินเสียสิ่งที่เกินควางจนไ ป, นปนหรือสิ่งที่จําเป็นก็เสียได้เช่นร่างกายเนี้ย เวลาจะต้องเสียมันก็เสียมันไปเสียแล้วมันกับสบายกว่าขณะเียร่างอยู่นี่มันกลับทุกข์ไงถึงแม้ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยวันวันอย่างนี้มันก็ต้องคอยหาข้าวมากินนะต้องคอยออกกาลังกายต้องคอยยืดเส้นยืดสายถ้านั่งนั่งนอนนอนเดี๋ยวมันก็เมื่อยไม่มีเรี่ยวไม่มีแรงไหนจะต้องอาบน้ำอาบผ้าไหนจะต้องซักผ้า นีแต่เรื่องมีแต่ภาระให้ทำตามที่บอกว่าขันห้าเป็นภ า, า, าระหนักเหมือนภาระเฮเวตันจากขันทามแม่สำหรับพระแม่สำหรับจิตผู้อิจฉาคนแล้วก็ยังต้องเป็นภาระอีกและต้องดูแลรักษาพระพุทธเจ้ายิงต้องหาคนเชื่อต้องมีท่าอนุทอช่วยเปิดประตถา อยากถ้าไม่มีร่างกายแล้วก็สบายไม่ต้องกินไม่ต้องอาบนะ้ำไม่ต้องหาเสื้อผ้าใส่สบายจิตสงบอยู่ในปะรมังสุดทั้งตลอดเวลาเหมือนกับตอนที่เรานอนหลับถ้าเราสบายฝันดีและนอนหลับสนุ่ไม่ฝันเลยตอนนั้นก็เหมือนกับเราไม่ต้องดูแลร่างกายเปิดแปดชั่วโมงสี่ชั่วโมงก็เสร็จเวลา รุ่ยพานมันก็เป็นอย่างนั้นเวลาที่นายมีร่างกายมันก็สบายเมอนหลับไปยาวเวียนยาวนานไปเลยงการตายคนจริตก็เหมือนกับการนอนเวลาเราจะตายเราก็พอนาพุทพุโทโธตายถ้าจินเราไม่มีเชื่อแล้วเราก็ไม่ต้องไปไปเตือก็ไม่เตืมนไม่ไปเกิดเวลาไปเกิดก็เหมือนกับไปเตือขึ้นมาใหม่ แต่จาจําไม่ได้ทั้งทั้งตอนที่หลับเป็นอะไรตอนที่ตื่นขึ้นมาก็ไม่รู้เหมืนอนกันว่ตัวเองเป็นอะไรต้องมีคนคอยสอนคอยบอกตอนเป็นมนุษย์นะเป็นคนนะเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้ถึงจะจําได้ไม่ไม่มีอะไรที่จะต้องฝันไว้เก็บท้ายได้กลัวเจ็บแค่เจ็บไปมันเจ็บที่การใจเราก็คอมาวกัน ทำจิตทำใจำให้สงบให้เป็นอิสระไปรุ่นเนี้ยทำไมก็จะไม่นมากัะทบกับใจเร า, ยยาเวลาตายไปก็เหมือนการนอนหอลับแต่นอนยาวหน่ยแต่ใจไม่ได้ตายไปกับการการตายของร่างกายใจก็อยู่คงสภาพเหมือนเดิมคยเป็นอย่างไรในขณะที่มีชีวิตอยู่มันก็จะเป็นอย่างนั้นถ้าเป็นมนุษย์นึงเมื่อตายร่างกายตายแตย่ใจมันก็เป็นมนุษย์ มันก็ไปหาล่างมาไม่ขนเลยนึ่งถ้าเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระอรหัมันก็เป็นมันก็เป็นพระนิพพานไปแล้วเท่นั้นมันไม่ได้หายไปไหนมันไม่ได้เสื่อไปนพระนิพพานก็ก็ไม่ต้องการมีร่างกายไม่จำเป็นต้องมีร่างกายเหมือนกับพรหมกับเทพเขาก็ไม่ต้องมีร่างกายหรือเฟหรือสลับมาลบเขาก็ไม่ต้องมีร่างกาย เพีแต่ว่าสภาพของเขามันไม่เหมือนกับนิพทานถนะ้านิพานนี่มันมีแต่ความสงบเยือ ม, มีแต่ความอิ่มความพอซึ่งก็พอๆกับท่านโสมแต่ท่านโสมเพียงแต่เียงแต่ต่างกันเรื่องโสมมันเสื่อมมันหมดอายุได้มันจะหิวขึ้นมาได้แต่นิพานนี้ไม่มีหิวตลอดไปยจะอิ่มไปตลอดเลย ลมนี้ก็จะอิงไปจนกระทั่งหมดกำลังของฌานเมื่อฌานหมดแล้วก็ที่เหลก็จะลุกขึ้นมาความอยากในในกลางก็จะปรากฏขึ้นการมาตัณหาก็จะปรากฏขึ้นความต้องก็จะเป็นความอยากในรูปที่ละเอียดกว่าก็ไปได้รูปอยากในรูปคิดเสียงคิดกลิ่นคิดก็ได้เป็นเทพก่อก็ไปเป็นเทพก่อนเมื่อวความอยากความอยากมันอยากมากขึ้นต้องการมากขึ้น มันก็อย่างรูปยากเสียงอยากมันก็ไปเอาร่างกายไปหาร่างกายเพื่อจะได้มีตาดูรูปอยากมีหูฟังเสียงอยากืองของใจไม่มีแค่นี้มันก็ขึ้นขึ้นลงลงไปตามดินตามฝันจนสามมันจะลงหลุมลงหลุมดำถ้ า, า, า, าพูดทางภาษาวิทยาศาสตร์ไม่รู้จักหลุมดำนีะ ทางพิเศษาสตร์ก็เชื่อว่าในในจักรวาลนี้จะมีหลุมดําเหมชันดีทะเลที่มันจะดูทุกสิงทุกอย่างลงไปทุกสงอย่างที่ลอยอยู่ในจักรวาลดวงดาวดวงอาทิตย์ต่างๆนี้ถ้ามันอยู่ใกล้ใกล้หลุมดํานี้แล้วมันจะถูกดูดไปเหมือนกับเหมือนกับอ่างน้ําที่มีที่ที่รูระบายอ่างน้ำเวลาเราเปิดมันขึ้นมาน้ําที่มีอยู่มันก็จะไหลลงไปในี้นั่นเอ พิธานก็ใช่ๆอย่างนี้นมันก็จะดูจิตให้เราไปอยู่ในจิตนั้นไปอยู่จิตนั้นแล้วก็ก็ไม่ต้องเรียนไหว้กาโกรไม่ต้องหมุนใจกับอะไรแต่ตอแต่ทางวทยาอาสตร์เาว่าไอ้หุมดำนี่มันมันจะทำให้ไปไปทะลุเอกภพวานหนึ่งด้านหนึ่งนะมันรู้จริงหรือเปล่ามันไม่มีใครพิสูจน์ได้เป็นเพียงทฤษดีนะแต่ทางทางทางพิธานี่เขาพิจารภาแล้วมันพิสูจน์ได้ เมื่อจิตเข้าไปสู่ขั้นนิทายแล้วก็เกิดเหมือนกันลูกลูกก๊อกขึ้นมันลงไปในหลุมแนละ้วมันก็ไม่ขึ้นไปไหนเะสบายลูกเดียวไม่เกิดบาลานซ์สุด ข, ขั้นั่นจังค่ะคุณแจนดั บ, บสังขารึ้นดับการตกแต่งได้ตรงนั้นก็ยังไม่ต้องจิดเสื่อม คือสังขารระดับนี้ไม่ได้หรอกเพราะมันเป็นมันเป็นสภาวะธรรมันก็เกิ็ของพุทธชาติของพระอรหรันต์ก็มีแต่กล่าวว่าเราอย่าให้มันปลูกไปในทางที่สร้างความทุกข์ขึ้นมาอย่าให้มันปลูกไปในทางปัญหาความอยากตวางกล้ถ้ามันปลูกมาในทางไม่อยากไม่อยากดูไม่อยากฟังไม่อยากเล่ากไม่อยากดย ไม่อยากได้อะไรใช่ไมไม่ถือไม่อยากไ ม, ม่กังวลวิิต้าหงก็อยากปรุ่รงอยู่จะไม่ได้ปรงแบบแบบบุตรชนปรงเพราเราตรุงอยากอยากจะไปช็อปปิ้งอยาจะไปเออที่ยวรุงเมลาสมุนทพรแต่ถ้าอาหารท่านรงเนี่ยสแสดงทำนี่ก็ต้องใช้สังขารดรนนั้นเป็นธรรมะมุนเมานทางด้านทางบ พอคิดของเราคิดไปในทางทําก็ได้คิดไปในทางออกทําคือทางสมุทัยก็ได้หรือทางต่างๆก็กกได้จะเป็นธรรมก็ไม่ใช่จะเป็นสมุทัยก็ไม่ใช่เร่งการดูแลร่างกายของเราเนี้มันไม่ได้เป็นเป็นธรรมหรืออธรรมมันเป็นควาเมเปนเกณที่เราจะต้องดูแ ล, แ ล, แลก่อนพระอรหันต์พระพุทเจ้าก็ยังต้องดูแลร่างกายท่านเหมืันมันก็ไม่ได้เป็นกิเแต่มันก็ไม่เป็นธรรมะ เป็นธรรมชาติของจิตที่เราไม่มีกิเลสี่เลนมันทาให้จิตมันมืดอย่างเนี้ยตอนเนี้ยมันมืดถ้าเราถ้าเราเนี้ยมันท่อมันโดนไอหลังทาเนี่ยมันโดนได้เม่ไรถ้าข้ายางนี้มันมันเกาะจิดอยู่ถ้าเราไปไปเช็ดไปทางคาสะาวให้มันอ่อนบวมมันก็สว่างขึ้น จิตของเราก็เหมือนการถูบความโลภความงุงความปวมันครอบงำอยู่มันก็อะไรไม่สว่างพอชำระมันจนกระทั่งมันหายไปหมดแล้วมันก็มันก็สว่างนูแต่มันสว่างภายในแต่ในความรู้เส็จมันเมื่อมันมองข้างนอกมันก็สว่างไปด้วยก็ความสว่างภายในนี้มัน มันเหมือนกับว่ามันมันมันสะท้อนใหตาเห็นว่ามันสว่างขึ้นไปด้วยบางทีมันสว่างภายในพอพอเรามองจากข้างนอกเข้าไปมันก็ต้องไปไปสัมผัสกับภายในที่มันสว่างมันก็เลยรู้สึกสว่างขึ้นแต่ของที่ิงข้างนอกมันก็เป็นนมันก็เป็นอย่างนี้แต่คนที่มองเหมือนกับคนที่ใส่แว่นดํากับคนที่ใส่แว่นขางมันจะสว่างไม่เท่ากัน ก็มันจะไล่ไล่ที่แรงดันเพื่อขึ้นในงานไล่ยากแต่โยกแล้วทำใมีความกัก็คือไม่โลภถ้าทโลภก็ไม่หลงก็คือแบบบลทำาโลกที่ม้นน่ดล้โกต้องต้องเลยต้องไม่แก้ที่หลงถ้าเราไ่แว่าจะทำอะไรอะไรให้ราหล่ก็ปัญญาเลยก็อย่างที่ว่าก็รู้ว่ามันไม่มีอะไรมีค่า เราเป็นหลงนั่นเองเอเอเอบอกไม่แค่ดินน้าลมไฟแล้วนี่มีอะไม่ใช่ดินนะดดน้ําลมไฟบ้างที่เราลงทุกวันนี้หลงแต่น้ำลมไฟที่มาผสมผสานเป็นรูปเป็นร่างจนคนนั้นคนนี้เป็นสิ่งนั้นสิ่งนี้แค่ดินน้าลงไฟนะี่เหมือนกับขนมเค้กเอีขนมต่างๆเรามันก็มีแค่แป้งน้าตาลข น, น, ข น, นกกกกกมกับกะขายมันผสมแล้วก็ทําเป็นรูปร่างต่างๆนย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 จนกระทั่งมันเหลวเลยอย่างนี้ก็แบบว่ามันส่วนดิบนนี่นนจะไม่มีเลยอย่าง น, าน้ำแต่มันก็เป็นแค่ธาสู่ในน้ำึ่งภายในรูปแบบนะครัถ้าเรามีปัญญาเรจะจับได้ก็ต้องลองดูว่าจัดได้เพราะปัญญามันมีหลายระดับมัน ม, มีระดับที่ขนาะนี้เราเรียกว่าระดับที่ได้ยินได้ฟังมันก็จับได้ในขณะนี้ แต่พอลูกจากที่นี่ไปแล้วมันจะมันไม่เป็นอย่างนั้นแล้วจะสามวันตก็ไดัสามวั น, ดวว น, นเดี๋ยวออกไปแค่นี้เดี๋ยวไม่ถึงเวจะอย า, ากจะปล่อยเพลงฟังแล้วก็ได้ในบรรยากาศมีสามมี รุปปญญาที่เกิดจากได้ยินได้ฟังมันก็มันก็จัดได้ในระดับในขณะที่มันจําได้หรือหรือปัญญาที่เกิดจากความคิดของเราที่เราไปคิดอเรื่อยแต่ก็เ น, กน เ, เนื่องในว่าสิ่งที่เราได้ได้ฟังนี้เราเอาไปคิดต่อตมันพยานยาจะได้ลืเหมอเอาไปคิดอยู่เรื่อยนี่เนี่ยขณะใดที่เราคิดขณะนั้นเราก็จัดมันได้นี่ขณะดนี้เราต้องไปคิดเรื่องอื่นตั้มเนี่ยมันมันจะแทรกออกมาตอนนั้นแหละแค่เราไปทํางานทําการ์ดนี้ อ้เรื่องที่เราคิดนี้มันไม่เราเราไม่ได้ึ้นเรื่องที่เราได้ยินได้ฟังวันนี้ละพอมีอะไรมัความอยากไว้ออกปั๊บไปตามมเลยไม่คือเรอยากไ้ฟังไม่ทไม่ใช่ปัญญาไม่ไมเราอีตสินเห็นว่ามีป นอกจากปัญญาที่เรียกว่าภาวนาไม่รับปัญญาเพราะมันต้องทําอยู่ทุกเวลาทุกขณะลมหายใจเข้าออกในที่พระพุทธเจ้าสอนพระอนุโมทว่าเธอจะต้องใจลอยมานานิสติทุกลมหายใจเข้าออกเธอถึงจาทําลายความตายได้เธอถึงจะไม่กลัวความตายมันมาต่อเพื่อจะยืนแรงอะไรผ่านอยากไปเที่ยว ก็เ ร, เราไม่ที่จะงานหลังกองเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะเล่นล่อมาหลอกเราได้ทันกระทานหี้ได้ต้องเป็นพระท่า น, นส่วนใหญ่และคนที่ไม่ต้องทํางานอย่างอื่นถ้าเป็นคาราวาสก็แบบว่างานอย่างอื่ไม่มีมากนะมีเวลาที่จะที่จ ะ, จะเจริญปัญญาอยู่ตลอดเวลาในฝั น, น, นได้เพราะที่เหลมันรอรอรอช่องว่าง พอเวลาไหนที่เราไม่เจอม่ิดแามันจะออกมาฟังไหมเหมือ น, น, น<ล>อย่ า, <ล><แ>าที่เป็นก้าวลาลูกหยุดไงตอนที่ท่านคิดแอนาท่านก็พิตัธขลุ่ยพ้นแล้วนะแต่พอท่านไม่คิดแอนาพระมันก็ลับขึ้นมาอีกด้ อ, ะ, อะมันยังไม่ตายใช่ไหถ้าเราลับก็ยังไม่ขาดเึีงแต่ว่าหม่ยถึงว่ามันถล่ไป พอมันมีกำลังมีช่องว่างมันก็จับขึ้นมาใส่เราตอนนั้นเราเผลอแล้วแราเพี่อมันตายแล้วมันก็ใส่เราได้เกี่ยวกับการพิ่าราปัญญานี่มาหนักน้อยกันก่อนถ้ามีปัญญามากเท่าไหร่ที่เลือมันก็แจงบางเลยไปเ้ิ่มเติมครับ่อนเราสั่งว่าเพื่อนจะได้ไม่ขาดอธิบายเรื่องว่า ถ้าเปรยพ่อแม่เหมือนกับพ่อหอนแต่จุดของพ่อแม่เนี่ยต่างกันกับกับพ่อหอยยังไงแล้วก็ เ, เราก็ดำนถึงจุดสูงของพ่อแม่งซึ่งอันนั้นลูกก็ท้าใจมากอยากจะใหก้การเทศซพื่อได้บันทึกลงไปในนี้และจะได้ออกมาพิมพ์ไ้คืเวลาพูดนะมันสด ต, ตอนนี้ถ้ามาพูดเป็นสัญญานี่มันก็ไม่มไม่รู้จะออกมาเหมือนเดิมร่ ก็ไม่ทราบเหมือนกันนะแต่รู้สึกว่าท่านเขาถามว่าทําไมพ่อแม่ถึงเป็นหนเป็นข้าวอาหาของลูกก็เพราะว่าข้าอาหารนี่ท่านท่านพระพธเจ้าท่านก็เป็นข้าอาหารข้าอาหารท่านก็เป็นข้าอาหารท่านมีท่านมีประโยชน์กับเรามากคือท่านท่านสามารถช่วให้เราหยุดพ้นจากความทุกข์ได้ไม่มีใครจะช่วยเราได้นอกจากพระพุทธเจ้ากับข้า เลยที่ท่านเกลียดเที่ยวว่าพ่อแม่เป็นเหมือนข่าหารก็อยากจะเห็นคุณค่าของพ่อแม่ว่าเหมือนกับเหมือนกับคุณค่าของพ่าหารของพระพุทธเจ้าเป็นแต่ว่าพ่อแม่ไม่สามารถเชื่อให้เราหลุดพ้นจากความคิดได้แต่ท่านให้นกำเนิดเราตอนนี้เรามาเกิดเป็นมนุษยได้นี่ต้องมีพ้อมีแม่แล้วการแม่มาเกิดเป็นมนนี้นี่ก็เป็นคุณค่าอย่างยิ่งนะถ้ามีโอกาสที่จะได้หลุดพ้นจากความคิดได้ เพราะถ้าไม่ได้เป็นมนุษย์ก็ยากที่จะได้เลุดใชถ้าเกิดไปเป็นสิน่งนั่างอเราก็ไม่มีทางที่จะเป็นได้งั้นคุณค่าของคุณพ่อคุณแ้่ที่ให้ชีวิตเรามานี่ก็เกียบเทียบในทางโลกก็เหมือนกับว่าท่านเป็นข้าหาในทางโลกเส่วนพระพุทธเจ้าข้าหาญนี้ท่านก็เป็นข้าหาญในทางธรรมในทางจิตใจทนให้ท่านนิพพา น, น, านราได้ให้เราเกิดเป็นเลือดข้ามิพานได้ พ่อแม่เราก็ให้ให้เรามีร่างกายให้ได้ก า, ารที่มีร่างกายของมนุษย์นี้ก็เป็นเรื่องที่สุดแล้วของการเกิดในภพข้าทั้งหลายเพราะไม่มีพบไหนจะมีคุณค่าเท่ากับการได้มาเป็นมนุษย์เพราะเป็นมนุษย์เพราะพระพระพระพุทธเจ้าท่านก็เป็นมนุษย์ท่านผู้ประามนุษย์ถ้าเราอยากจะรู้ธรรมะของพระพุทธเจ้าเราก็ต้องเกิดเป็นมนุษย์แต่ถ้าไปเกิดเป็นช้างเป็นลิงที่ไปอุปถัมภ์พระพุทธเจ้า ถึงแม่ได้อุปถาใกล้ชิดก็ไม่สามารถที่จะรับธรรมะที่ละเอียดเข้าไปได้ก็ไม่ได้รับปไะเหยียดเข้าที่ผัวนแต่ถ้าได้เป็นมนุษย์และได้ไปอุปถาที่ใเจ้าอยู่สามเดือนถ้าเรามีบาราีพอที่จะรับได้เราก็จะดูดเ้าได้อย่างเช่นถ้าที่ได้ไปรับใช้ได้ไปศึกษากับพระพุทธเจ้าแล้วได้จะรู้ว่าอะไรเป็นอะไร หรือในสมายปัจจุบันที่ได้ไปอยู่ใกล้คุกับครูบาอาจารย์พระอรหันต์ที่เป็นพระอรหันต์ใหศึกษาได้เรียนรู้จากาก็สามารถทำให้การเรียนหนักขึ้นได้ถ้าไม่มีมครูบาอจารย์ไม่มีทางถา้ปฏิบัติไปจนมันตายก็ไม่มีทางพกิเลสมันเหนือว่าเรามากเหนือ่ปัญญาของเร า, าแล้วเราต้องอาศัยปัญญ า, าของพระพุทธเจ้าของพระอรหันต์นั้นเพื่อทำได้ นอกจากเราเป็นโพธิสัตว์เช่นพระพุทธเจ้าเพราะนั้นน่ยถึงจะสามารถสองตัวเองให้บรรลุให้ชณะเกลือได้ให้ให้พ้นจา ก, กษษษาวความเกลียดกันเองนอกจากนั้นเราไม่มีและผู้ที่จะเป็นโพธิสัตว์นี้มันน้อยมากถ้าจำถ้าเกียบ ก, กับจานวนของของของลูกทุนธรรมดาอย่างพวกเรานี้ถ้าเกี่ยวน้อยจับเขาวัวกับข น, นัวนี้ตัวตัวนี้มันมีเขาอยู่แค่คู่เดียวเเอง การมีขน อ, อยู่เป็นร้อยคนที่เป็นระดับโพธิสัตว์นั้นเป็นเหมือนกับเขาวัวสุดยอดของมนุษย์มีแค่สองสองคนนั้นเองในในจานวนหลายๆหลา ย, ล ย, ยหลายร้อยคนหรือหลายร้หลายล้านคนเห็นก็กลับมาตรงที่บุญคุณของคุณพ่อคุณแม่นี่ว่าถ้าไม่มีคุณพ่อคุณแม่เราจะมาเกิดเป็นมนุษย์ได้อย่างไรถ้าเราไม่มีร่างกายเป็นมนุษย์แล้วเราจะมาเษษาาารียนรู้พุทธศาสนาได้รับประโยชน์จากพุทธศาสานาได้อย่างไร เราจะเราจะมีโอกาสดุจคนได้อย่างไรหรือเราจะได้เป็นพระพุทธเจ้าหรือเป็นพระอรหานได้นย่างไรถ้าเราไม่มีข่อไม่มีแมพระพุทธเจ้าก็ยังมีพ่อแม่พระพุทธเจ้าเห็นผคุณบุญคุณของคุณพ่อคุณแม่อยู่อย่ีงพยายามโปรดโปรดให้ท่านได้บรรลุเป็นพระหันตอย่างน้อยก็พระบารดาก็ได้เป็นพระโสดาบันท่าหน้า ท, ท, ที่ท่า <isy> น <th 60> ตาแล้วแต่ท่านยังอยู่ในฐานะที่พอจะได้ท่านเป็นเทศพท่านก็สาธิตสอนทางทางกระแสจิตทางทางกระแสสมาธิอยู่หนึ่งพรรษาจนท่านได้บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบันสส่วนพระราษฎร์ดาก็ได้บรรลุเป็นพระแห่งเจ็ดวงนก่องก่อนจะสวามิภักดิ นเคุณคุณพ่อนี้ใหญ่มากไม่มีท่านเราจะมีเราเลยะเถ้าเราดูแลข้านก็เท่ากับว่าเราได้อุปถาผู้ที่มีคุณสาหรับเราเราจะเท่ากับพระพิฆาเจ้าหรือพระอรหันเราเรานเราจะไม่ควรมองท้านการดูแลคุณพ่อคุณแม่ มจะยากจะลำบากก็ขอให้อดคิดคบงที่านอาจจะพี่ดี่จุดติดนี่วนนี่หรือบางทีถ้าไม่ทาตามที่เราบอกให้ท่านก็อย่าไปถีบขาบาทีเราก็ห่วงท่านมากจนเกินไปจนก้างตั้เป็นเป็นลูกมังกรกล้าไปแต่บังครับพ่อบังครั้งแม่ให้ทําว่าให้ทำอย่างนี้ถ้าท่านไม่ทาก็ปล่อยท่านไปเอเป็นท่านเราให้ท่านกินยาท่านไม่ยอมกินยาไม่กินมนเป็นย ใครท่านเดินเ่าน ก, กําลังกายถ้าไม่อยากจะเดิก็เ็รถ้าท่านอยากจะเดินเเ ท, ทสักก้นๆให้่า ก, ก็ไก่อนคือเราต้องเป็นคนคอยสนับส น, นุนอยากให้คอยเป็นคนเป็นเจ้าใาญ่ท่าลูกบางคนคนี่เลาเลี้ยงพ่อเลี้งยงแม่เลี้ยงพ่อเลี้ง ย, ยงแม่เหมือนเลี้ยงลูกทำให้พ่อแม่อึดอใจก็มาดูคนอยู่เรื่องไม่ได้ขอไปอยู่ที่บ้านคนชรา สบายใจกว่าก็ราักเทินไปแต่ไม่รู้ว่าวิธีจะปฏิบัติข้างหน้าปฏิบัติอย่างไรปฏิบัติอย่างไรต้องดูดูตัวอย่างของท้าที่ปฏิบัติปฏิบัติไปต้องเชื่อทูเชื่ออยู่เสมอต้องคารวะเาื่ออยู่เสมอแปงว่าเป็นปฏิชน บางทีไม่มีไม่มีโอกาสได้สึกษิาได้ยินได้ฟังก็ทำไปตามอารมณ์ของตนเองพอไม่ได้ดังใจก็เกิแล้วก็ผ่านไปคือก็ปล่อยปาละเลยไ ม, ไม่ไม่ดูแลไปเลยใช่ไหมนั่นเรียกว่าเ็นมิตรธรมเพราะไม่มีอะไรตตั้งใจ ไม่ไม่ทราบว่าจะได้หรือไม่ได้แต่ก็บราารลุทําได้ในระดับขั้โสดาบันนี้ได้หรือแม้แต่ขั้นอาณาจารยีก็ไ ด, ด้ถ้าเขาฝึกถ้าเขาฝึกการมรสังขาได้เกิดความยินดีในสุขัดการมาตรปัญหาได้ันรู้ได้ถ้าถ้าสามารถปัจุบัติได้เพียงแต่ว่ามันอาจจะยาก ้กที่อย่างพวกเทวดานี่เขาขเขคงจะติดใ น, ใ น, ใ น, ใ น, ในาคาม้ามัคคมากเหมือนพวกคนรว ย, ยนี่จะให้เส็พระเช้ามาใส่บาตรมาทำเร่องนี้คู่อนอนดีกว่าเพราเมืเ่อคืนนี้เขาไปเที่ยวเยอใครมีงานเลี้ยงงานฉลองกัน้พวกเทวดาก็เป็นแบบพวกคนรวยครับต้ นบาไม่มีกายแต่เ้าสงวความเสื่มกับลูกลูกคิเสียงทิพเสียงทของเขาถ้เรื่องอะไรที่เขาจะต้องมาตัดทละลูกคิเสียงทิพแล้วมาทาจุดให้นิ่งๆสวยๆให้มันสมันยากมันสวยนิสัยทั้งๆเหมือนกับเขาเค้นัดมือขวาแล้วบอกให้เขามาใช้มือนอกจากเทวดาบางคนบางองค์ที่เห็นคุณค่าของคาสอนของพระพุทธเจ้าแลเห็นโทษว่าการติดอยู่ ความสุขคงน่าจะละเอียดคงน่าจะวิเศษขนาดไหนก็มีมีการหมดไปได้แต่เป็นเป็นเป็นพระเทวดามันมองไม่เห็นคนตายเวลาเทวตตายมันมองไม่เห็นแต่เวลาเทวตตายมันก็เสียหายแล้วตอนเสด็จไปมันก็ไฟมันก็ไฟที่มันสว่างแล้วมันก็ดับหายไปไม่เห็นทุกข์เลยมันก็เลยไม่เห็นความทุกข์ของ เขพอลูกเขาไม่เห็นความสเขาไม่เห็นอะไรที่ว่าเ็นกันใมนุษย์นี่เราเห็นชอืเขามีลูกให้เห็นชัดในผู้สื่อสารแส ไม่เป็นยัอะไรอย่างเงี้ยนะฮะนี่นี้ก็มีเมตตาให้สอนลูกศิษอยู่เรื่อยๆจนคู่จนชัยกรู้สึกไช่ขยับทั้สี่นะช้ำังสาคันนานอะไรเงี้ยต่าเอย่างเ้ไม่เราเราไม่ได้ไปไปยึดไปจุดกับการสอนวิถีของการสอนเราเราพยายามทาหน้าที่ของเราแค่นั้นเองเหมืนคนบอกทาง คนก็มาถามว่าจะไปสติหลังนิ่นอยู่ตรงไหนแล้วก็บอกเขาแต่เราไมเดินตามไปดูว่าเขาไปถึงหรือไม่ถึงเนี่ยมนก็บอกให้ถูกต้องทุกอย่างนะถ้าเขาไปไม่ถึงมันก็เนิ่นไม่ถ่อมไเดี๋ยวนี้รู้สิ่งกกลับเดิมกับมาถามใหม่นะกเหมือนทางทางที่ถามพระทเจ้าไงไปยงไงาถามว่าท่านก็สั่งสอนลูกถึงลุกถามมามากบางหลวงก็บรรลุเป็นพ่าอกก็ไม่บรรลุ ทำไมถึงปเป็นอย่าง น, นี้ท่าก็ย้อนกลับปบระคองท่านคุณก็มีรู้สึกรหามีคนมาถามเรื่องนั้นเรื่องนี้คุณก็สอนบอกเขาใช่ไหมถามทางว่าจะไปทางไหนอย่างไงคุณก็บอกเขาแล้วคนบางคนก็ไปถึงบางคนก็ไปไม่ถึงแล้วคุณจะทํำยังไงก็เรามีหน้าที่บอกเขาแล้วก็จะถึงไม่ถึงมันก็เรื่อ ง, องของเขาใช่ไหมเราเปิเดเผย ว, ว่ามันก็ไม่ได้ทำํำไม่ก็ถึงไม่ถึงอยูอย่ดี ขอให้เราทำหน้าที่ของเราให้มันถูกก็แล้วกันอย่าไปบอกให้เขาหลงทางก็แล้วกันให้ <c oughs> เราต้องมั่นใจในสิ่งที่เราสอนสิ่งที่เราไม่รู้ก็อบอกว่าไม่รู้ดีกว่ายอย่าไปอมอย่าไปอายอย่าไปตัวหะว่าเราไม่กล้าเราไม่รู้มากสิ่งไหนเรารู้เราก็พูดไปสิ่งไหนที่เราไม่รู้เราก็บอกเราไม่รู้ อาจารย์สอนไ่ก็เป็นมีภาวะตัณหาที่จะคาดหวังอะไรที่อะไรอย่าง <c oughs> นั้ไ ม, มาา่มีแล้วไม่มีภาวะตัหาไร้อภาวะอี่้าวะตัณหาแล้วแต่อย่างน้อยถ้าได้มีการพัฒนาขึ้นเล็กน้อยก็ยังดีไ <c oughs> ม่เสียชื่อกูบาอาจารย์ถ้าที่ได้ยินก็บอ ก, กอุกคก็ดีขึ้นอาายู่ ถ้ามึยังมาอยู่ก็ถือว่าดีคนเก่งอยู่ในจนี้ถ้าไม่มาก็ถือว่าถ้าไม่มาก็ถือว่าไม่เอาลวเนี่ย เรื่องกาเป็นหนูก่อนเนี่มันเป็นเรื่องที่นตไปไม่ได้อย่าไปยึดอย่าไปยึดติดกับมูรไปน์ชนีให้ยึดให้ยึดติดกับจดหมายที่เขาสมเอามาส่งให้ไม่รู้ผู้ถึงมันเป็นกำลังให <c oughs> ่นะคะก็สาคัญแหละแต่คภามันไม่มีคาไม่มันไม่ไมีตลอดมูร์ไต <c oughs> น์นก็ต้องตายเหมือนกันเราก็ต้องรี ให้ว่าพยายามจำให้มากปฏิบัติให้มากเพยยื่อจะได้เข้ามาอ ย, ยู่ในใจของเร า, ย า, ยาเอาอาจารย์ไทยเนดีก่อนอาจารย์ไทยนอกก็ดีแต่อาจารย์ที่แท้จริงต้องเป็นอาจารย์ไทย เ, เนาะจิตใจของเรามี่สอนของตัวเราเองด้วยการเข้าใจสิ่งที่เราได้เรียนรู้มาถ้าเราเข้าใจแล้วมันก็ไม่ลื มันจะเกิดมันมจะอยู่กับกานะเหมือนะมีใครถามถามผ้า อ, อาหารว่าผ้า อ, อาหารนี่ลืมได้ไก็ mm. ตอบว่าท่านเขาตอบว่าลืนได้าทานืชื่อคนืมวันที่ลือะไรอย่างเงี้ยท่าบอัสมามา่มนิจจำจำได้ก็ลืมได้แล้วก็ถามว่ามีอะไรที่ผ้าอาหานไม่ลืมไนหะมก็หลงนี้ เพราะถามว่าอะไรให้ระเบัดปฏิปารรมใอริยสัจทุกขโมทายนี่ร่มมากนี่ไม่ดีเพราะมันเป็นสิ่ที่เกิดขึ้นจากกลางปฏิบัติมันจะอยู่กับเราไปตลอดพหันจึงไม่กลับกายมาเป็นปฏิปชนเพราะปฏิปชนเป็นผู้ที่ไม่เข้าใจไม่เห็นในพระในปฏิปธรรมในอริย แต่ผู้ที่เห็นผู้ที่กข้าใจแล้วจะไม่ไม่มีทางเดินเลยรู้ว่าอะไรเป็นทุกข์รู้ว่าอะไรเป็นสมุทยัยรู้ว่าอะไรเป็นนักรู้ว่าอะไรเป็นนิพพานบางที่ ร, ร, ะนน ร, ระเจ้าสงสารรอดสิงใดที่ยากขัดขีสปัญาโคตได้ได้ทําเสร็จขึ้นแล้วทุกที่ต้องกําหนดรู้ก็ได้กําหนดรู้แล้วสมุทัยที่ต้องละก็ได้ละแล้วที่โลภที่ต้องทําไม่แจ้งก็ได้ทําแล้ว มักที่ต้องเจริญให้มากก็ได้เจริญเป็นผงดีนะเพื่อทำจิบในในในอ ร, อริยอริยสัจสใหน้เขาช่วมันดีแนละ้วจิตอยางอืก็ไม่มีอีกต่อไปในระหว่างที่ตัมงใจเรียงจิตในธรรมจารีนี้ก็ขส้นสุดเลยนะไม่มีจิตอย่างที่จะต้องทำอีกต่อไปนอกจากสฉงาะดผู้อื่นไปตามตามการอัตภาพการอาภาพ อยากใส่ใจศรัทธาสนใจอยากจะมาศึกษาจ็สอนใส่ใส่กันนั่งกัเดินคนนั้นลาตคนนี้มาสอนนี่นอย่างนี้นะนี่นิทานมันอย่างนี้นะอริยศาสตร์เป็นอย่างนี้ไม่ยสองเสียเวลาถ้าก็ไม่สนใจก็ปล่อยเขาใสด้เหมือนที่พราพุทธเจ้าเจรกรรมนี้คืึอ่าน ที่เล่ามาตอนต้นคือคนนั้นไม่ทราบชื่ออะไรนะที่เข้ามาต่งงานเป็นนักสือเรื่องการเมืองยาวสุเป็นคนเกคนแต่งที่สนเก่งคนเก่งคเเป็นแงเนื่องจากเรื่องเหล่านี้ออกมาไม่ค่อยได้ศึกษาละเอียดเท่าไหร่ที่แต่ได้ยินได้ฟังมาแต่แต่เข้าใจถึงคติธรรมที่มันซ่อนเล่นอยู่ในในเรื่องที่ที่เอามาเล่ามาฟังก็จาได้ ไม่ได้จำชื่อคนจำจำเวลาจมันจันจำถึงสติปัางยู่ในเรื่องน่นาที่ผู้่สารท่านรู้คนแล้วก็ผื่อข่าว่าท่ามีท่มีความรู้ตานนั้นกับผู้สื่อาที่จาเด็กเห็นอกตอนที่ท่านรู้ที่ท่านบอกว่ามีความว่าจิตที่คองสก็ดี ที่ต้างหมอที่ดีที่สุดที่จะดูดถังตาดตว่้องผ่านต้องผ่านตัวนั้นก่ส่วนหลนตาม่ต้องบอกว่าที่สนาทีข้างเลยใช่ต่นตาใชแต่พรนี่จะมีความเป็นใจจริไม่ไม่เหมือนกันไม่เมอนกันแตเมันไปมันไปเกิดคเดียวไปอยู่ไปใครอย่ราได้ผลมือนกันเยีะแต่ไม่เหม คืออริยามันจะตอบกระจายหายเหมือนกันมันจะรู้มันไม่สงสัยไปเจอจุดนั้นไม่สงสัยแต่การที่จะไปถึงจุดนันนน้นอาจจะใช้การวิเคราะห์ต่างๆเหมือนกับบริษัทหลักที่เขาวิเคราะห์หุ้นแต่ละตัวตางกันอาจจะมีเทคนิคต่างกันจะได้ผลเหมือนกันก็ ทำนัเเเเกเศรษฐกิจต่างๆที่เขาทางานวิเคราะห์เศรษฐกิจของประเทศแนวว่นจะขึ้นกี่เท่าไรทีนี้นั่นก็อาจจะมีการวิเคราะห์ที่อาจจะไม่เหมือนกันแฟกเตอร์ที่ใช้อะไรที น, นี่อาจจะให้น้ำหนักต่อโน่นต่อนี้หนักเบาต่างกัน เกษตองคนแต่ะคนก็มีประสบการณ์ในชีวิตมากกันเๆหลวงปูขาวตั้งแต่ทำหน่เรื่องสู่ข้าวท่านจะเป็นทางกาาวไ่านกจะพันาไปัเน้นจะพยอไปอ ย, อ, อย่างนี้รูปอ่งท่านไปเนี่ยามเนี้ยอนมีปัญหาก็จะไปจาบถานพระพิฆเ น, น, นที่สติกรีเดินไปถึงสุติผลต ก็เลยยืนอยู่ชายคาเนีก็เห็นน้ําหยดไหลถึงลงมาจากแล้วก็ลงไปกระทบกับ น, น้ําที่อยู่กับพื้นแล้วก็แตกกระจายแตกแตกไปกฉานก็นกมรรู้ตรงนั้นมันรู้แล้วฉันก็ไม่ขึ้นไปไปที่ตึกอีกเลยเพราะรู้รู้คําตอบแล้วก็ไม่เลือกอยจะไปถามท่าน บางคนเห็นเห็นดอกไม้เห็นดอกไ ม, าามา้มันมันเผามันมันเหี่ยวไปมันก็บรรุุได้ที่เรารัเข้าใจหลักหลักของความคุ้มครอนแต่ว่าคนไม่เหมือนกันแล้วอยากไปเรียนบากกันไม่ได้ แต่ที่ต้องเหมือนกันก็คือต้องปฏิบัติเหมือนกันด้วยารหนักจะเบาจะไมากจะน้อยต่ากันคนที่เคยทําบ้างาแล้วอาจจะทําไ ม, ไ ม, ามา่ต้องทํามากคนที่ทํนนะามาน้อยต้องทํำมากคนที่เกเรหนาปัญญาที่จะต้องช้าหน่อยและยากนั่นคนือเกเรบางปัญญา มัญหามากจะง่ายและเร็วขึ้นสายตาเป็นต um ัวขั <S S ้วปฏิบัติง่ายปฏิบัติเร็วปฏิบัติปฏิบัติง่าปฏิบัติเร็วขัวปฏิบัติยากปฏิบัติช้าขึ้นสายตาเป็นตัวเป็นน่าหมายิ้งยากเขาได้ำมาแล้วปฏิบัติถ้า คือพราตุบรรพณีที <laughs> ่ที่มีการจำเปต่อการบนรลุขึ้นปัญญาธานไมด้ยินไมได้ยินพระอธิการช่วยบิบกินเสกนาปัญญาขกนีหรือก็แขกหนิคี่ต้องส่งอยู่กับลังจาส่งไปลา แลออาจารย์ที่เหมือนกับหมวตาท่านก็ช่วยเชี่ยวฝนไดัอคบาอาจารย์ที่ท่านเมตตาใจดีไม่ดุไม่ด่าตอนนี้ก็ได้ไม่ไคได้ปท่ถ้าเราคิดว่าเราเกเนาตัญญาทพตอไปหาคบาอาจารย์ที่ดุดุดใจด่าใจดุคือความเข้มงวดฐานะ เมือเรียนนัสือให้เราได้คููที่ท่านเมตาคอยคอยคอยสอนคอยคอยตดตามการเรียนของเรามันก็จะช่วยดึงเรกไปได้เข้ากัานได้ไหยังอ่านหนังอ้ยัง่้าใอ่ะอีกทีวียวอเียอีกียวอีีีวดยวี ในระหว่างที่ตอนแรกๆที่ท่าอจะรย์ไปอยู่กตบาจายนก็รู้อยู่ว่าอาท่านดมากเลยนะคะคือว่าท่านดุเนี่ยบางครั้งเนี่ยท่านอาจารยเิตปวหรือใีคิดถกใหมรับว่าในกระสบการของอาตมาตั้งแต่เป็นข่าว่าแล้วรู้ว่าคนดุนี่เป็นคนใจดีสนตินีจะได้ประโยชน์จากคนดีมากกับคนใจดี เวลาเี้นหังก็มักจะหาอาจารที่ดูๆที่เที่ยวเทีนนะ่ยวอาจารอาจารไม่เที่ยวจะไม่ได้ความานี่บงทีเวลาที่หราดุบางทีทาไม่ได้ดุสท่านมีนนก็ท่านก็ดูแล้วแต่การรับปาแล้วจากคนว่าดุตรงร่างหรือไมไ่จะเกิเดประโยชน์หรโทษดแล้วเขาจะ บ, บ้าทอะไรนี้ก็ คือแค่กังแลแ้วจากคนน่าท่าน่นดูจิไม่ใของท่านว่าเขาจะสารรับได้มากือไม่ทาต้องแรงถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นด้วยไม่ใช่ไม่ใช่เลย่อว่าถูกแล้วต้องว่าต้องต้งองสอนอย่างอย่างไปมาเสคือก็ไม่พูดตรงไแต่พูดเกกับลระทบพูดเรื่องคนอื่นให้คนนี้ฟังนะแต่ เ, เรื่องของคนนี้ คนนี้จะมีปัญญาเนาะมาเข้ามาพูดมาว่าเป็นเรื่องของตนหรือเปล่าแต่คนที่ฟังมันต้งน้อมเข้ามาเาโทวเสมอไม่ว่าใครพูดอะไรตั้งน้อมมาจะไม่ได้น้อมมาแบบโมโหโทรธโศเผืออจะมีอารมณ์เนาะ้อมมาเพื่อเอามาศึกษาดูว่า มันเกี่ยวกับส mm ่วนที่เราบกพ่องนี่จ้าถ้าว่าคนนี้บกพ่องอย่างนี้เราก็ต้องแยกสังเกดุทุกตัวเราว่าเอาบกพ่องเหมือนกับที่ท่านวาหรือเปล่าถ้าเราไม่บกพ่องก็ไม่เป็นปัาอะไรก็ไม่ได้ฟังเพื่ออะไรฟังเพื่อแก้ไขส่วนที่บกพ่องนั่เองฟังเพื่อพัฒนาตัวเราเองส่วนใหญที่เรายังไม่ดีที่ดีเราก็ควรที่จะพัฒนาขึ้นไปส่วนใหญที่มันไม่ดี แล้วทันที่ให้เราเห็นเราก็ต้องแก้ไม่ว่าท่านจะเทศท่านจะพูดถึงเรื่องไทยก็ตามเราก็ต้องย้อนโอปาอิโกเข้ามาหาเาัวนาลนายเสมอเพียงแต่ว่าเราหน้าตาเท่มฉลาดก็ารู้ว่าเสือิตของคนนิสัยของคนมันต่างกันบาืทีสอนตรงๆอาจจะรับไม่ได้อาจจะเอาไปาาขายหน้าเึ้ื่องสือ ตอนนี้านาานาานหาทางนะคนนี้มาเป็นผู้คนคนนี้ที่อยากจะอแบบจะโตขึ้นมาเลยก็ได้หาคนเลิกกันเลยก็ได้ไม่รับเสือเ ป, เป็น เ, เป็นลูกศิษย์คน้าจางกันเลยก็ได้เไม่อยาาอยาติดจเขาเลยเขาติดใจเขาแแต่คนนี้จะรับได้ทานทาไ ในระดับนึ้งก็รับได้แต่พอเกินระดับนั้ น, น, นมันก็ขาดได้เกียดูว่าคนที่เข้าวัดอะไรนะคะเรื่องนนนี่นู้นหมดแต่ว่าส่วนใหญ่จะเป็นคนที่มีความชื่นเรื่องการงานครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยเข้าวัดแต่คนที่มีความสุขสบายอะไ่าเคนไม่เข้าว้ก็มีแ <คน S 1> ม่แต่คนที่ไม่เข้าก็มีเยอะๆที่มีความชืม่นเหมือนกัน เป็นแบบก้อนวิธี่เป็นการแก้ครับบางคนก็ไปซื้อก้อนแทนมันซื้อไปซับซึ่งแทนมันซื้อไปใส่อาอบนวดแทนมันดูหนังแทนไม่ไม่จำเป็นแบบมันมจะเป็นเพียงทางหนึ่งที่เขาแก้แต่ไม่มีเพือนเพื่อนาสเไม่เขาวัดกไม่มมีคาวาอยนีไม่มีใครไม่มีหรอกเ่ยเแต่เขาไม่มาบ่นเรื่รองของกกมัม มไม่เราไม่อยู่ที่จลนิสัยเพราะว่าเขาเข า, เขาเคยแก้ความที่ของเขาแบบนั้นเขาก็แก้แบบนั้นางคนแก้ความทุกด้วยการเด็กเวาเวลาไม่สบายใจก็หาเล่ามาอยู่บางคนก็เข้าบทตามาเพื่อที่จะเรื่ปัญหาเรื่องเล่ต่างๆไป ม you know, ีน you know ้องคนทุกบอกว่าตัวเขายังอยากจะเกิดยัรู้สึกว่าอยากจะเหยียพี่แเิดฝนามล่ะไม่เห็นคนแสดงความคุณซ้ำหลงมากขนาดไหนแสดงความลงไม่ไม่ยังไม่มีปัญญาไม่เอาวิชาเต็มช่วงคนที่เข้าว่าเป็นคนที่เข้าถ่อมคนที่เข้าหาทาง หาที่แก้ความทุกข์ที่จิตเหมืนอนกับคนไม่สบาย ล, ล้องจปชอบโรงพยาบาลมีกว่าไปคลิลนิหมอเชียงแต่ก็มองตรงกันข้ามกับเราเลยนะก็ามองเห็ข้อว่านี่เปอะไรก็มีสัาหาที่จิตกรรมิจฐ์ที่จิตมันต้อ ง, ง, อ ง, งตรงกันข้ามเลยตัณหากรรมิษฐ์อยู่ตรงสุขาน เขาจะมองว่าคนที่เข้าว่านี้เป็นพวกคนอ่อนแอหัวใจไม่มีไม่มีไม่เจาะไม่กล้าต่อสู้ไม่กล้าไม่กล้าเผชิทควางก็ดูเปอร์เซ็นต์คนเข้าวัดกัคนที่ไม่เข้าวัดต่างกนเยอะมากน้อมาก้ยมากก็เขาะพวกคนเข้าว่าเป็นพวกเขาวว นะพวกคนที่เข้าวัดเหมือนพวกคนคพวกคนรวยคนเข้าวัดอย่างที่เป็นผ้าหลานอยู่ในวัดหรือยู่นอกวัดกั น, นะนคนที่เข้าวัดก็ไม่ได้เป็นพ้าหลังตอนตอนที่เข้าใหม่ใหม่ก็ไม่ได้เป็นผ้าหลานแต่อยู่ไปนานๆแลว้วกลายเป็นผ้าหลัานที่ได้แต่อยู่นอกวัดอยู่ไประจำวันกลาก็ไม่เป็น การแก้ความุกขที่สุดทางต้นแก้ทางไหนประกอบนี้ก็เห็นอยู่เนจะ่เราไม่มีปัญญาที้แจงให้เห็น ตกลาเลยนะนาเลยคแต่ชาเงยะคอได้ยินไหด้ยินรับได้ยินได้านยินสีคนน้อยคนน้อยนน้อยถ้าอยู่แช่งแดงพูรงเราไม่ตยม่ไม่ไ่ไม่ไไม่ไมไมไไม่ไไ่่มไม่ไม่มไม่ แเง่านอบัติาที่กิขึ้นนี่แต่อย่างผจมทิ้งผิวจะไม่ฉีดมีกรณีพวกที่ฉีมาที่จะเป็นที่จตาเเ่องถ้ามีการเรื่องนน่าจะฟาร์มมาเรียนชวยไม่ได้เลยเพราะว่าขโกลาเนี่ยเขาจู้ถ้ายังชยแม่ของท่านอย่าง ถ้าทำตัวเราก็นตัวใหญ่างี้ยเเลื่อเขาก็เห็นดีด้วยเขาจะถ้าไม่เห็นก็ไม่เห็นแสดงว่าเมฆหมอกที่มันบังมันหนามากแสงสว่างไม่สามารถเลืด้เป็นเรื่องของกำเนิดลมที่สองนะเราต้องเข้าใจว่าหลักกำเรื่องของกำหนึ่งเรื่องของนิจังหนึ่งเรื่องของนิจังก็คือเรื่องของร่างกายไม่ว่าใครเป็นพ่อเป็นแม่เราก็ต้องเจ็บแกบเจยบตาเหมือนกัน เป็นไปแก้ไม่ได้เรื่องกรรมของท่านเราก็ไปแก้ไม่ได้เหันมิจฉาทิสุก็เป็นผลของกรรมของท่านสัมมาทิสุก็เป็นผลของบุญเพราะว่าคนที่มีมิจฉาทิสุก็จะทุกข์ที่กว่าคนที่มีมิจฉาทิสุก น, นั่นมันก็ยิ่งส่งเสริมกันใหญ่ยิ่งตอกย้ำความเป็นมิจฉาทิสุกให้ยุ่งาก แน่นแน่แน่นใจมากยิ่งขึ้นโคนที่คุกคีคนที่มีสัมมาทิฏฐิก็ม่าจะเข้าหาคนที่มีสัมาทิมันก็จะช่วยสริเสริมเพราะคนที่มีคาวามรู้ ม, มากกว่าเราก็จะเดินหน่อยได้พระพุทธเจ้าถึงบอกเวลาเลือกคนให้คบบัณฑิตอย่างนี้และท่านก็พูดได้ว่าถ้าหาบัณฑิตไม่ได้ก็อยู่คนเดียวดีกว่าอย่าไปคบกับคนพาลคนโยอ พอเราจะขาดพุ่เขาจะถุดลากเราไปถ้าเราจะถ้าเราจะต้องพึเรื่ต้องพึ่งกับพ่อกับแม่เราก็อยากจะให้เขาถูกลากเราไปตามทางหรือแม้จะเป็นพ่อเป็นแม่แล้วก็สอนให้เราไปเล่นการทํางานนี้เให้เราไปกินเหล้านี้เราไม่ทาําตามไม่เป็นกามในระดัถึงไรที่มันผิดกับหลักธรรมไม่ต้องทํา ตอนหมายถึงว่าเราไม่ดูแลท่านในยาที่ท่านเจ็บให้ได้สวยด้วยท่านต้องการต้องการความสีเหลืองท่านลาป่อยปาเล่เ า, าลเลยนี่ถึงจะเป็นคามเมตตาคุณแต่ถ้าท่านชอบกินเหล้าแล้วคนเราไปกินเล่าด้วยนี่เราไม่ใส่ไม่ไม่ใสก็ได้แต่ไม่กินท่านจะว่างไงเราก็ไม่กินหรือไม่ดีต่อไปท่านอาจจะไม่กินตามเราก็ได้เอ อ, เ อ, อลูกเรามันเด็กเลย เนี่ยเราจะเราจะสอนพ้อแมได้เราสอนด้วยวิธีการปฏิบัตินะครับทำตัวเราเป็นตัวอย่างเช่นพระพุทธเจ้าทรงทาตัวพรองค์เปตัวอย่างเราปฏิบัติจนหมดทนแล้วพอหมดทนแล้วทนี้บรรดายาตทั้งหลายก็เกิดศรัทธาปฏิบัติตามมีเจ้าชายออกบวชทีั้งห้ารูปพร้อมๆกันคือพระอามนงพระอริทธะบวชพร้อมๆกัน เพราะศัพท์ทางเนี่ยเปนเพราะกุญแจมันีะอาหวตัวนี้จะอาบววทางนี่ป่าไม่มีทางพอมาในราชวงศ์จักรีเนี่ยมีรัชกาลที่สีออกหวชงินพระอยู่อั้งนานไม่มีิดสงสารพอหลังจากนั้นลูกๆและลูกหล้านนี่ยอวยกันเพื่อเขาโองประัตั้งใจรัชการที่สี่งายทัศเสมการพือเาอต้องการระเบดการปฏิบัติเป็นตัวอย่างที่ดี มันก็จะทําให้คนอื่นเอาเยีย่ยงเราถ้าเราปฏิบัติตัวอย่างไม่ดีเขาก็เอาเยี่ยงอย่างกเรมาเหมือนกันถ้าเรากินเหล้าเมายาจัดปาร์ตี้อยู่ทุกคืนทุกอย่างของเรามันก็จะทําตามเรานอกจากว่าเขาเขามีส ม, มาทิฏษิเขาก็จะไม่ทำแต่คนที่ไม่มีสัมมาทิกฐิคนที่ยังต้องเรียนแบบคนอื่นเขาก็จะดูคนอื่นคนอื่นก็ทําอย่างเราก็้ผลก็จะทำการ ง <c oughs> ั้นต้องแยกแยะนะพ่อแม่ก็เป็นส่วนหนึ่งแต่จิตใจของท่านก็เป็นส่วนจิตใจมันเป็นเรื่องของขอ ง, ของกรรมของบินัยของท่านใจของเราก็เป็นเรื่องจิตใจของเราถ้านบอกว่าเรามีกรรมเป็นผู้ให้กำเนิดนะเรามีกรรมเป็นเข่าพันธุ์ไม่ใื่พ่อแม่ของเราเป็นผู้ให้กำเนิดใจพ่อแม่ให้กำเนิดเพีงแต่ร่างกายเท่านรรั้ ห ใ, ใจของเราเนี่ยจใจสูงใจต่ำใจใจดีใจชัว่วนี่เป็นบุญต่ำเป็นเครื่องฆ่น่เหมือนกัน บ, กบกที่เราทำมาเปนตัวที่ทําให้เราดีหรือเชื่อหรือต่ำหรือแม้จะเกิดเป็นลูกของพระเจ้าแผออ่นดิก็ไม่นะครับว่าจะสูงตลำถึงหรือไปถ้าใจไม่ถือมันก็ไม่ถือหรือแม้จะเกิดเป็นลูกของ ข, องขาพรแต่ถ้าใจสูงมันก็สูง ท, ที่บอกว่าพันเพื่อท่บอกว่าลูกไม้สวนไกลต้นไม่ไกลต้นนี่ก็ไม่เกี่ยวอะไรเลยมันก็บางสวนบางกลไม่วนบางก็มีและเ็นาแฝงกับละมคนไป่พอดีอาจจะมีกระีสายท้ายแกล้งคบเดิมแต่ส่งใหญ่ก็ต้องเกี่ยวพันกันหรือเคยทำกรรมร่วกันมา <ihat> ไม่แน่จารื่องนี้่น่าจะมีหรือเปล่าอาจจะมีก็ได้เพราะท่านบอกว่าถ้าอยากจะเกิดแล้วไเกิด้าหน้าแล้วเจอกันกดได้เป็นคู่ร่วมกันท่านก็บอกว่ า, วาต้องทาบุญเท่าท่กันเที่ยทบุญเท่าทททางเท้ากันรักษาศีลเท่ากันภาวนาเท่ากันๆๆๆๆๆถ้าคนหนึ่งทามากกว่าคนนนี้มันก็จะไม่เทอกัน มันรถที่วิ่งเนี่ยถ้าวิ่งความเรวเท่ากันก็เกาะติดกันกได้ถ้าคันนึงวิ่งช้าอีกคันนึ่งวิ่งเร็วเดี๋ยวันก็ห่างกันได้ปตะอยัไปอยากเจอกันเลย ไ, เลมไม่เบืกันบ้างเหรอไม่ผมของใหม่ๆดีกว่าของตกแงนานทาเท่ากันเรื่อยคนลดซืัอเงินที่แหละ ไปละแต่ข้างหน้ า, นามันก็มีมีมีคนให้เจอเยอะแต่ตาน้าก็ไม่เคยคิดจะมาเจอญาติโยมก็มาเจอมันเจอของมันไปนเรื่อยๆไม่เป็นไรหละน้ําดีมันวิ่งมันจะวิ่งเข้าหากันน้ําจะวิ่งเข้าหาน้ําน้ำมันจะวิ่งเข้าหาน้ำมันันไม่ปรปแบกบันคนดีจะวิ่งเข้าหาคน ด, นดีคนไม่ดีเขาจะวิ่งเข้าห า, หาคนไม่ดีนอกจากความหลงมันหลอกเราให้เราวิ่งไปหาคนไม่ดีโดยลง บาทีเห็นรูปร่างหน้าตาแล้วสูกอกสูกใจแต่ไม่ดูใจเขาก่อนเพราะใจเขาร้ายขนาดไหนไม่รู้แต่พออยู่กันจริงๆบางทีก็อยู่ด้วยกันไม่ได้เพราะใจมันไม่ได้อยู่ในระดับเดียวกันก็ต้องแยกทางกันหรือก็ต้องคนอยู่กันไแบบอยู่พทนก็ทนอยู่ <c oughs> ทักันนะคะอ่าลูกสาวแล้วกเอ่อทำทงานี่ยนะวเขาเอ่อทางราชการเนก็มีการขอรัินแล้วเขาต้องเกี่ยวข้องในการเป็นเป็นเป็นในฐานะผู้ให้เนีเขาจะต้องรับอะไรอืมอะไรอะไรอรอะอะไรางที่ละเอียด ถ้ามีส่วนร่วมด้วยมันก็มันก็มีมันก็มีถ้าเรามีส่วนร่วมด้วยแต่ถ้าเราไม่มีส่วนร่วมด้วยมันก็ไม่คือไม่ได้เป็นคู่รับาเป็นเตของเราไม่คือต้องทำไปในหน้าที่ถ้าเราทำตามหน้าที่มีหน้าที่เซ็นก็เซ็นใจเป็นอนม คนไปอำ น, น, น, นาจที่ไปทุนนิยมใ น, านาการทีร่ลูกพูดตรงเลยหน้าที่ในการอารมีมันถ้าไม่ให้ถ้าเราไม่ให้เงินเขานะคะเขาก็ไม่เขาก็จะหาข้อผิดออมานี่แทนแทนได้เขารู้ที่จริง น, นี่เขาก็เชน เ, เดียวกันครับจาเป็นที่ไม่งั้นงานจะมองแบบว่าเหมือนกับซื้อของแล้ว <c oughs> แบบนี้ซื้อของก็ต้องเสียเงินซื้ออยากจะได้ขอ ง, ของชิ้นนี้ก็ต้องจ่ายเงินจะจ่ายด้วยวีดีนี้ก็เป็นการจ่ายเงินเหมือนกัน แต่มันไม่ใช่ีอกไม่ใช่ือ่ใช่ของที่ตรวไม่ายเพื่อความเคาเพื่อเ่ความเพวเรื่อม่ความเพื่อมเ่อความพื่าเรียกมาเลย่อเ่อควางเมันก่ทําอะไาไวม่ได้ามเพวามเ่อดวาม่คาเือมเ่อควาอาม่อวมเพ่ความเพื่อาม่ความเพ่ควเอามเพื่อมเ่ความื่อวาองเอคมาเออเาม่เคาค่อเเ่มเคา เราเป็นคนซื้อของเขาเรียกราทานี้เรามีเงินจ่ายนะครับแล้วก็จ่ายเขาไแล้วก็จะเอาเงินนั้นไปเกยบไว้เขาก็ไปเป็นเจืของเขาเองเราไม่ได้เป็นเจือของเขาม่รก็แปลกใจนะอย่างขงเถื่อนทำเวลาไม่เคยจะให้ฆ่าอะไรพวนี้เลยเกิดเรื่องกจรมีแต่ว่าเจ้าหน้าที่แย่งกันทำเลยแย่งแย่งกันทำนะต้นุกนต้นต้นมือเนี่ยเป็นสิ่งสาคัญนะคับกรสอบท แต่ข้าบางทีก็ไม่ไม่เอาตำรวนบางทีเรียกรถของเห็นท่า น, นั่งเนี่าก็โดเลยไปเยที่เราอยากไปทงก็แล้วกันเขาทาเี่เราต้องขับรถผ่ทางทางเนี่ยแล้วก็จะเรียกเก็นอะงี้ถ้าเราต้องการต้องไปแล้วก็ต้องจ่ายต้่าย อันนี้ไม่ได้เป็นความสิด ข, ของเราความสิดอยู่ที่ทคงเข้าเรียกจะไปสมแขงอ่าไม่สมแขงเพราะเราต้องไปอะ่ะ <c oughs> เราต้องไปทางนี้ไปงั้นเราก็อยากฟไปเราก็อยากไปแต่มาที่ว่ามันไม่ได้เป็นความสิด ข, ของเราเพราะเราไม่มีเจตนาที่จะไปคิดทําบาไปไปคิดไปโกงไปอะไรกับใครเรามีหน้าที่เราจะต้องเดินทางจากตรงนี้ไปตรงนั้นและเมื่อตรงนี้พอาขวางทางแล้วจะไปได้ก็ต้องจ่ายจ่าย จ่ายนให้เขาถึงไปได้ก็เคลื่อนทางรวก็ยังต้องจ่ายนี่การทำไมเราจ่ายได้เห็นไม ม, นมันไม่เป็นปัญหาแบบที่ทมันมีการอุตสาัะมันเป็นปัญหาแบบขอ ง, ของวัยพอมันมีวนันมากขึ้นมันก็ขัดตรงนั้นยอบตรงนี้ ก็ต้องคอยจับคอยเดทางเรื่อไปคอ่อคาตอานั่งไม่ไเตแบบคือเมื่อก่อนนี้นัพักเพียนนานแล้วมันจะเจ็บข้อเ้าก็เลยแนะนาว่าให้นั่งห้อยเท้าดีก่อก็ยพอดีพอดีนั่งตอนนั้นมันนั่งห้อยเท้าไนัาเอ้มด้านน้ ไม่ได้ตรเนี้มันมันนังไม่หอาแล้วเพามันก็ดูไ่ไ่นาด้ที่หวคือตรงตเองที่ท้านนั่งเวลาที่รุกผมเนี่ยมันไม่ค่อยเท้าไม่ได้อ่ะเนื่องกั่งตรนี้ท่ากั่่องเท้าไม่ได้ไงแล้วก็เลยนั่งตงนส่งชั่วโมงก็จะลำบากคือมันก็มันไม่ได้ทุกวันก็พอที่เป็นเป็นเป็นเป็นที่เพี้ยนถอนั่งค่อยเท้ายังได้ไหครับไม่เป็นไรลก็ก็พอพอทำได้ คือเราพอที่จะคข้ว่าแบ่งเวลาให้ได้ก็ตลอดเวลาอย่างนี้ทุกทุกทุกหน้าที่ทุกงานก็ต้องนั่งแบบนี้ก็ไม่ไหวก็ไม้ีหลักมีักกาจได้เรื่อยๆก็ไม่ได้มาทุกวันนก็เดือนเดือนก็มาทันเลไม่เป็นไรหรอกถ้าไม่ไหวก็บอกไม่ไหวต้องบอกให้เขาจัดสินงาเลย เองมาดูทับเลม่ เมอวนี้ขขึ้นมาเห็นควายสวยังสีโจนิ่งาเขาเลี้ยงมันแล้วก็มาปอดก็มาขยายพันธุ์ก็มีพ่อพันธุ์แม่พันธุ์แล้วเาอยู่ในข้ธรรมชาติของเาเลยสำคเขามีพ่อแล้วก็มีอาหารอะไรเตน็โตแล้วคือว่าเาลี้ยงตัวเองได้แล้วก็จปอบางส่วนเขาก็จับไปเก็บไฟไว้ในป่า สี่ต uh, ัวที่ยิ่งอย่านี่เขาหาจิตเองหรือเปล่ารือว่าเขาไม่ร้รงาแสดงเขาปล่อยให้มันอยู่ามมาี่สี่ตัวแนี้เยอะมันนเยอะเขาเอามาตองก็คือทำแคลหาท่านแตงกวาที่มัน่วนมากเลยนะคะข่วนแบบโคเลตโลเหมือนเโล้ข่วนในแวย น็ย mm ังแค่จะคิดว่ามีคนที่ทขาเห็บเด็กดเด็กที่อื่นแล้วมาอยู่ขออยู่ที่นี่ได้ใช่ไหมคะใช่แต่ว่ามันไม่เหมือนกับว่าสงสัยบาอาจารย์ถ้าท่างมาขออยู่กับท่านอารได้ถ้าบวชมาแล้วคือในเ่วงต้นนี้จะให้ทับขาง้าก่อนเข้าระยะหนึ่งก่อนแต่ส่วนคือนเป็นวัดที่เข้าเราต้อง ทุ่นี่มันเป็นส่วนส่วนส่วนต่อเนื่อ ง, อ ง, องอนนจากลับใหญ่คืถ้าเรามาอยู่ที่นี่แล้วมันจะเป็นคนเวลาเป็นคนจอดหน้าก่อนถ้าอยู่ข้างล่างให้ทุกทีให้รู้จักทำน น, น, นนะครับข้างล่าเพราะมันต้องทำํำกิจบางอย่างร่วมกันเช่นบินกระบะร่วมกัน ขังต้องลงพักวกเรื่องะรขึ้นขึ้นมาปฏิบัได้ได้นะแต่ว่าอาจจะพัอย่างอย่างที่ตรมานี่ตองต่ขางแล้วว่าช้กลางวันก็ขึ้นมาพัวนาแล้วตอนบ่ายเย็นก็ลงไปแล้วก็ลงไปทวัดววพระเส้นข้างล่างรพัางแล้วก็อาจจะอยู่เป็นสักระยะนึงแล้วถ้าอยากจะขึ้นมาอยู่ท้าววเลยกไปก็ได้แต่ถ้าที่อยู่คือใหม่ๆก็ให้เขาอยู่ข้างล่างก่อน และพอเขาอยู่จนกระท่านเคยชินแบบกิกกับกับพรที่ข้างหน้านะเขอยากจะไปที่เลกเขาขึ้นมาอยู่นิดนึงนะแต่ต้องบอกว่ามันลาบากนะเพราะว่ามันไฟฟ้าก็มีน้ำก็จะอยลงนแต่ถ้าเขาเป็นคนที่เขาออกกำลังกิจแล้วก็ยินดีที่จะต่อสู้กับหนื่อก็เติมให้ตรง ถ้าถ้าบวชแล้วไปไปอยู่กับวัดของครูอาจารย์ได้มันก็ได้ประโรชน์ไม่แต่ว่าเขาไม่เขายังไม่ไมไม เขาเซียร์กันมาเขาไม่ได้เค่สอนพระนอกจากสอนพรสอนแบบที่สอ น, อาสอนาลาเนี่ยมีที่หเล่นมต้องอให้ทอยนอกจากจะตอบปัญหาได้เองถ้าสงสัยอยากรู้อะไรก็ให้าท่านจะจะเรียกมาอสอบถามได้่วาไม่ได้ยวย<ม>เพราะตัวเองก็ไม่ค่อยมีเวลาออของตัวคนยาก็จะขอร้องว่าไม่ให้ใครไปหาที่อื่ แล้วก็ถ้ามีปัญหาอะไรก็ให้เราตามที่เจ้าน้าที่สาาามงานก็หาความในเอกสารนะพอเนี้เราจะมีเวลาที่จะพักผ่อนเวลารักษาลำตัวเพใ่อปล่อยใครไปได้ที่ประนี้ทั้งวันมันจะไม่มีอืด ฝากมาแล้วก็ันยานี้นุงก็ถือท่านฉันอยู่ระบบดีทะลุก็เลยแก้ต้องอีกทุน ใ, ใกล้ๆกันนั่นง60แล้วไง60กว่าแล้วใช่ไหมานี้เราก็60กครับขาก็ปวดธรรมดาอยู่นะอยู่บ้าน่ <c oughs> มีฝนจะไม่ตั้งใจนะครับิ้เทพเป็นแบงค์มากบางบางบางเวลาก็แรงเห ม, มืนกันบางวันก็เร็ววัน ไม่แนบางทีนั่งที่นี่ไม่ได้เลยถ้าเรแง่นี่ก็เียบบเียบข้างหลังองไม่ไ่่่งนลยวมันก็แห้งก็ไปเสีบหมดเปียบางส่วนแต่ไม่ั่ก็มาทางน้ขึ้น ปีวกปีวอกปีวอกปีอกีวอกปีวอกปีวอกีวอกปีกปีวอกปีวอกปอกปีวอกปีวอกปีวอกปีวอกอกปีวอกปีวอกปีวอกปีอกปีวอกปีวอกปีวอกกปีวอกปีวอกปี แตใจนี er ่ใจยาวมันรู้ส่้างสู่แล้วอายุใจองเรนี่ยาวนานร่างกาก็เเหมือนเื้อผ้าเ้อผาเ่ยใจน่งกลางใจกลางใจิ่งกลาใจน่กา ไมม่หย like like kind of ินับจับงหะเลจะกองอยู่เหาะไรกันถมว่าไม่เข้าใจว่าคือเข้าใจข้ารีะติดตย่าเว็าที่นให้คำนี้แค่แบบ คุณ่าจารย์หลายๆคนนะไอ้ยอดผ่อแบบพันนิดๆพันนิดๆออตอนที่เทนท์แช่แต่ทีนี้เวลาเราใช้คิวจริงๆอย่างเงี้ยค่ะว่าเขาจะต้องเกิดท้งดีแนะไม่ดีแล้วเราจะมีวิธีการยังไงดูนะคะเพื่อให้เพื่อให้มันให้เท่าทันะเท่าันไม่ว่าจะเปานแบบเราเองหรือว่าคนอื่นที่มา เ่วลาได้เงินเดือนขึ้นหรือใครชมเราอย่างนี้ใช่ไห้เวาดีส่วนที่ไม้ดีกันไมคือเวลาโดนจัดเงินเดือนโดนหน้าอกจากงานหรือโดนใครเขาตั้งหตุปิดเพียงยิงใครเรเนีถ้าถ้าเป็นอย่างนี้เราก็ต้องไม่ติดทั้งสองย่างเราต้องยอมแล้ว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาเหมือนกับผลตกอย่างอ เราจะติดกับดาอย่างเดียวจะกระทั่งรับผลไม่ได้เลยรู้ก็ติดกับผลจะกระท้างรับหลักไม่ได้เลยเราต้องรับได้ทั้งสองอย่างเพราะมันไม่ได้อยู่ในทิ่ใสของเราที่จะไปควบคุมมันครกันได้ทนายเขาจะไล่เราออาเราก็ไปห้ามของไม่ได้ถ้าจะด่าเราเราก็ไปห้ามเขาไม่ได้ใครจะตั้นี้ินคาเราเราก็ไปห้ามเขาไม่ได้ใครก็าจะโงเราเราก็ห้ามเขาไม่ได้ แต่ ข, NO. ขอให้เรามีความหลักแน้งอยู่กับความจริงตลอดถึงว่าเขาชมเราว่าเราดีแต่เราไม่ดีเราก็ไม่ควรที่จะไปดึงใจเพราะว่าเราไม่ดีแต่เราไม่ได้ไม่เราก็ไม่ได้เป็นอย่างที่เขาว่าเราก็ไม่ต้องไปสียใจแต่ถ้าสิ่งที่เขาว่าเราเป็นสิ่งที่ถูกเพราะว่าเราไม่ดีเราก็ควรที่จะามาแก้ไขเพราะมันจะได้เกิดประโยชน์ยาวเพื่อฟังเพื่อให้เกิดประโยชน์ทาให้ จะไปฟังด้วยอารมณ์ถ้าอารมณ์นี้เราจะชอบให้คนเขาสรรเสริอย่างเดียวเราจะเรวขนาดไหนแต่ถ้าเขายกย่องสรรเส ร, เริเราเราก็ดีใจเราจะดีขนาดไหนถ้าเขามาตำหนิเราเราก็จะเสียใจแต่ถ้าเราไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่คิดอารมณ์เป็นหลักเราคิดความสริงเป็นหลักไม่ว่าใครเขาจะพูดอะไรก็ตามเราจะไม่หวั่นไหวากับการพูดของเขา เราฟังที่เหตุเห็นถ้ามันฟังที่ความจริงว่าเสียงที่เขาพูดจริงไม่จริงถ้าจริงแล้วมันเราไม่ดีจริงเราต้อรีบแก้ไขเราจะได้ดีได้ถ้าเราดีแล้วเขามาว่าเราไม่ดีเราก็ไม่ต้องทําอะไรก็แสดงว่าเขาเป็นคนตามบอกมองไม่มองไม่เห็นมองไม่เป็นมองไม่ถี่ก็ทางนั้นเองหรือเขามีเจตนาไม่ดี เ, เขาเกียดที่หน้ารเราล้วก็ห้ า, ามสองเดยได้ ก็ว่าเป็นเป็นเินเป็นกรรมของเราก็แล้วกันเราอาจจะเคยมีอะไรจักเขามาจึงทาให้เขาเกิดความเสียดทางในตัวเราเขาไม่สียหายอะไรพระพุทธเจ้าบอกอยู่ในโลกนี้ต้องอยู่เหนือขัละเสริญะรักิทางให้ได้อยู่ให้เหนือโลกกระททั้งสารับฤิ์ขนลเสรสิญมีทั้งส่วนเจริญและเสริญที่เสรเป็นทดา สนเราจะไปต like? ie, our our e ิอย er ู่กับส่วนที่เจรแญ่วลาเราเจริญร่าดเยสรสังกเาจะใจคู่เราจะมีอกดีกว่าเวลาเสืยอมเนเสื่อเสื่อมาก่เสื่อมเยอเจอหนึ่งทางเจอความทุกข์ขึ้นมาแล้วจะใจหดรู่เราต้องปรับใจของเราให้อยู่ตรงกลางอย่าไปอย่าไปดีกสิ่งไหนเวลาเจริญก็คอยเจนสติว่าเดมนก็สื จะได้ไม่ดีใจจนเกินไปถ้าเราไม่ดีใจแล้วเวลามันมันเสื่อมเราก็จะไม่เสียใจสิ่งใดที่เราดีใจเราชอบเราละพอสิงนั้นมันเ ส, สื่อมมันจากเราไปแล้วก็จะเสียใจแต่สิ่งใดถ้าเราเฉยๆกับมันไม่ดีใจเวลามันเสื่อมไปแล้วก็ไม่รู้สึกเสียใจเลย เพราะนั้นเราต้องรู้ทันเลยว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเป็นของคู่กันมีของคู่กันมีความเจริญมีความเสื่อมเป็นธรรมดาเวลาเราได้เงินเดือนไ ด, ได้ขึ้นเงินเดือนนี้เราก็ไม่ต้องดีใจเพราะว่าต่อไปก็อาจจะได้เราออกงานก็ได้แด่ถ้าเราจะขาทุนไมสามสนารถจะมีกิจกรรมต่อไปเเขาก็ต้องติดใจใส่หรือเขาต้องลดจํานวนพนัก ง, งานลงไป เขาก็อาจจะต้องกดเราอะไรต่ก็ได้กัพยายามมองความไม่เข้มแข็งแน่นอนอยู่เอว่าเรจะได้ไม่เห็นตบต่วดีหรือสวยไม่ดีถึงไม่ดีเมื่เดียวมันก็หมดไปได้ถ้าขนไม่ตกไปตลอดเดี๋ยวมันก็ต้องหยุดไม่ต้องไปลังเกียจไม่ต้องพยายมให้มันหยุดเดี๋ยวถึงเวลามันก็หยุดเองถ้ามันยังไม่ถึงเวลาหยุดต่อให้เราอยากยังไงมันก็ไม่หยุดอยู่ดี เราก็จะทุกข์ทรมานใจต่อไปแต่ถ้าเราทําใจให้รับ ก, ก, กับทุกข์าระทะใได้เราก็าาจะไม่เดือดร้อนก็นจะมีทุกข์เลยือไม่ให้ยึดติดทั้งดีทั้งชั่วเราเห็นว่าทั้งส่วนที่ดีและส่วนที่ไม่ดีจะเรื่องความดีนี้ให้ยึดติดตลอดเวลาเช่นเรื่องธรรมะนะี่ให้ยึดตลอดเวลาเดี๋ยวจะเข้าใจถึงมันเป็นเรื่องกันนะมธรรมะนี่ไม่ใช่เรื่องที่พูดถึงมาดี คณะนี้ย็ดได้ตลอดเป็นคณะเป็นที่ทึ่งได้ตลอดการทางความจริงนี้ยึดได้ที่ทำให้ทุกที่ทุกเวัา น่อชิที่ยในเรื่ัสุะทุกนตอนนั้นที่เรามีความช่วยเืออยู่ในภาวะที่ังแย่เนี่ยเราก็ไม่ต้องไปสนใจมันเพรทุกอย่างก็เป็นอนิจจ์มันก็จะผ่านไปแต่เราก็ยังมีความที่จะทความดีตอบแทนตคนทำความดีก็ะกอบนอยู่ถ้าสิ่งที่เกิดมาเป็นอถือูเรื่อชนั้นที่เราเมาเราเ็ได้แลราที่จะอกงอของบางอย่างมันไม่ได้เป็นผลที่เกิดจากการกังของเรามันเป็นการเสี่อมใจของธรรมชาติ ฝนตกดออกมันก็เรองของการเปลีนยนแปลงสภาพและมันก็ไปกระทบกับเศรษฐกิจถ้ามันแบดมันมากกว่าฝนเกษตรก ร, ก, ก, รก็ไม่สา ม, มารถปลุกข้าวผลิตง า, า, า, ตาออกมาไ ด, ด้มันก็ทาให้เศรษฐกฯฯฯฯฯฯิจตับถอยได้ก็ทำให้เงินเกิดเงินเดงก็อาจจะถึงลดถึกตับได้ มันก็เป็นสมเกี่ยวข้องกันมันไม่ได้มมันไม่ได้เป็นเรื่องของบุญของกรรมที่เราทำแต่เรื่องบุญของกรรมนี่เปนเรื่องที่เราไปเจอกับคนที่ไม่ดีก็ทำในงถ่งที่ไม่ดีกับเราเรานึ่งถ้าถือว่าจะเป็ก็เราจยไปทาอะไรกับเขาหน่อยสักหน่อที่ชีวิตเราตกต่ำนหนึ่งเขาจะเริ่งเรื่องแต่เราตกต่ำค่อนข้างที่เราพยายามทำดีที่สุดเราแต่มัไม่ก็ไม่ขึ้น ก็อาจจะเป็นเรื่องในไหนจะเป็นเรื่องของกาเก่าของเราก็ได้ก็อบรมให้ทั้ใจให้กรเดูกเดือดขาพยายามรักษาระดับทีวิตการดำเนินทีวิตของที่เราเคยทำนั้นอยากให้มันกลับอยกให้มันเม่างอย่เราได้ไม่ใช่พอชีวิตจบก็เลยทำตัวแบบั้นในเทมอลก็เลยเราต้องพยายามทำความดีให้มากยขึ้นไปดีกว่า บานทีความตกสจของชีวิตมันอาจจะเป็นตัวกระตนให้เราได้ทาทำดีก็ได้ต็นเห็นว่านี่คืจริงจริงถ้าอย่างน้องกุกขาวเนี่เมียท่านไปเป็นชู้ท่านก็เสียใจมากถึงต้นจะฆ่าฆ่าเมียกต่ฆ่าชู้แต่พอได้สติขึ้นมาท่านก็ขอไวฆ่าเขาทะไมเมต้องมีความสุขก็ให้ต้องให้เขาไปเสด็จเรามือก่อนนี้เราอยู่คนเมียเวาก็อยู่ได้ ควมตอไปเราจะ่ อ, นอคนเดียวไม่ได้เราไปข่าเขาเราก็ไม่เราก็ไม่ได้พิเศษกับเขาเราเลวเขาสั่งก็ได้ผลิตัก็เลยประากาศเป็นทางการเลยวนตะ่อนนี้ภรรยายของเราคนนี้ไม่ได้เป็นงเราต่อไปยกให้ค น, นี้นะนแต่ล้เรเราจะไปบวชมันจะไปทางความดีในบวชเนี่ความเป็นทางการดีเราพิให้ธนกาส คลิกธกคิเหตุการณ์ที่เร็วร้ายให้เป็นให้เป็นประโยชน์ขึ้นมาแต่เมื่าเราสูงเสียที่สิ่งอย่างไม่มีอะไรเหลืออยู่แล้วก็ไปด๋ยเลยใชง่ายกมันรอไม่นาการวมดนอนนนกากันหรอกะ แต่ว่าความใหญ่เราทำให้มันรู้สึกนานวลาเราใหญ่ก็ได้แล้วมันรู้สึกว่ามันไม่ทําใจมราสักทีแต่ที่เราไม่อยากได้นี่รู้สึกมันมาเร็วน้อเกินเรื่องเรื่องบินนี่นะมาบ่อยเลยปั๊บปมาแล้วเดือนหนึ่งมาแล้วแต่เงินเดือนนี้นะกว่าจอากนี่รึนาน ตรงนั S <S ้นี่มันก็ถามสุดควางเหมือนกันความร้สุกของเราเป็นทำให้วรสกเงไปผมบอกว่าอย่าไปหลงกับอะไรในโลกนี้เลยมันเป็นความหนันแะเรื่องไม่มีกาลไม่ได้ให้ความสุขให้ความสบายใจให้ความยุดเพ่งแต่กคืแต่จสร้างคามขไมนมีมากขึ้นแต่เรื่ย พอได้ดีก็ติดอยากจะให้มันดีไปตลอดพอไม่พอไม่ดีเพี น, นิดเดียวก็เสียใจวะว่ามันดีจริงกรบอป่ามันไม่ดีจริง อ, อ่ะเพราะพุทาท่านไม่เห็นว่ามันดีพ่อหน า, านัห่หนว่ามันดีครูบาาจารย์นั่นเหนว่มันดีคนหลง้งพยาที่จะเห็นว่ามันดี ตอนที่ม่หลงก็เห็นว่ามันชุกชื่นหนาไม่มีอะดีที่สุเมื่อก่อนี้ถ้าไม่จ่ายยาไม่มีลูกก็สบายแล้วใช่ไหมผมก็คิดว่ามีสามีแล้วจะดูเอามีสามีแล้วเชื่อมีลูกก็จะดูแล้วจะเป็นยงดูไหม่มีแก่งตัมีสามีมีสาม เราไม่เห็นความที่วขกเขาเอ่ะคนยแล้วจะเห็นแต่ส่วนที่ดีเวลาเขาทะเลาะกันเราไม่เห็นเล่เราทะเลาะกันทุกคู่อ่ะไม่มีคู่ไหนไม่ทะเลาะกันนอกจากคนตาย ไม่ีโปรแกรม่อบสี่ใมาเดีเราต้องอยู่ต่อเดี๋ยวเดี๋ยวมีปัหาอยู่มาต้องไม่เป็นไรไม่เป็นไรเาอีเมลมาอีเมลมาบอกเดี๋ยวเาจะมารยาวันเกิดเขาจะมา กรณีชะนาตอนนี้เราบอกตอนนี้ไม่ว่างหรอแก็เลยบอกออ ง, งี้ชะนาทุกห้ามงแล้ว่ายังไม่รีบอนเลยถามดู่ีเฉยัเดี๋ยวเราจะจะคุยกันทั้งอยากจะจับก็ไม่ได้ก่ อ, อไม่เลยไม่ใช่ถ้า<อ>เห็นว่าฝนตกก็นี่จะปไปไนอตอนนี้ก็เปิด แต่ว่าเราทุกข์ยไม่ทุกออกับความอยากถ้าเราไม่อยากไมีอยากจนแล้วเราทุกข์เวลาที่คนนี้คนนี้ให้เรามาเติมเนี่ยมันก็เป็นเกีรรเราไม่อยากจะเป็นผู้จัด ก, การนี้แล้วก็มาบังคับให้เร า, าเป็นผู้จัด ก, การแล้วเราก็ทุกขกับการเป็ผู้จัดการนี้ทั้งทั้งที่คนอื่นก็มีความสุขอธิบายว่ามันก็เป็นเกีอะไรที่ทาําสร้างความทุขให้กับเราเปนเกี เรานะต้องมีใจตัเองใช่ใชถึงแม้เราไม่อยากแต่เมื่อเราต้องอยู่ในสภาพนีน้เราก็พยายามทำให้มันมีความสุขให้ได้คืออย่างนักอยากไปทุกกับมันเพื่อทำทามหน้าที่ก่อนถ้าเราไม่อยากแก่นี้ถึงเวลามันแก่ขึ้นมาถ้าเราไม่ถ้าไม่ทุกกับความแก่ก็ไม่เป็นขึ้น แต่ถ้าเราทุกกับทางากแก่เรายื่นไปหาหมอไปทำศัลยกรรมนี้อะไรเงี้เป็นเป็นกิเลสจะตดูที่ที่ทางทุกข์ใจเราเป็นหลักอะไรก็ตามที่เป็นทางทุกข์ใจนี่มันเป็นของทางใจกเลสเองถ้าเป็นธรรมแล้วมันจะไม่ทุด ก, กับอะไรขึ้นถึงแม้จะถูกเขาจับไปทนนาน ังอยู่ในในโรงไม่ให้ขยับไปเยื่นอะไรถ้าใจยังสบายยังสงบยังนิ่งก็ไม่ก็ไม่เป็นปัญหาแ้าเราทาใจสงบได้ไม่ว่าใครเขาจะทาอะไรกับร่างกายมัาก็แค่มันก็ไม่กรบใจเพราะกิเลมันไม่มันไม่ทำลางมันทาลายเวลที่เราทุกเพราะกิเลสเราเป็นมันมันทำายมนไม่มันไม่ต้องการสิ่งที่มัน มันได้ล้อมันก็เป็นทุกข์หรือมันอยากจะได้แตสิ่งที่มันไม่ได้มันก็เป็นทุกข์เมอราะ้มันไม่ได้อยู่ที่ว่าเราทำอะไรหรือไม่ทำอะไรการยกเว้นว่าสิ่งที่เราทาแล้วมันมันมันเป็นบาปหอจะทุกข์ไม่ทุกข์ก็เว่าบาป้าเป็กุเลาางนก่นางคนทำบาป้วเขไม่ทุกข์เขาม่มีความสุขอย่างนี้นก็แต่เขาไม่รู้ว่าเขาจะต้องใช้ใ ช, ใช้ใช้กรรมต่ในภายหน้ า, นา ก็ต้องทุกขกันได้เป็นเขาไปฆ่าใครก็อาจจะมีความสุขในการนั้นก็ได้แต่ต่อไปไมื่ก็ถูกเกี่ับกาททำโทษนี่เขาก็จะต้องทุะรบางอยงเราทาอะไรบางอย่างถึงแม้เราจะมีความสุขเราก็ต้องดูถึงผลที่ิการมาต่อไปว่ามันจะให้ความสุขกับเราหรือให้ความทุกข์กับเราึ้เาเราชอบทำอะไรชอบเดินโบราณอย่างนี้ เราก็เวลาเาเดือดรราเราต้มีความสุขแต่ถ้าโกรวันไหนเราไม่มียงินไปซื้อคุรามดนดีเราก็จะพรางมันเราก็จะทุะกข์มกใมันไปเราก็ต้องลองเส้นผมที่จะตามมันเพราะมันอาจจะเป็นสิดเลยตอนต้นแต่จะเป็นทุกข์ตอ น, ตอ น, ตอนกลาคือให้มันทุกข์แต่ตอนตอน้นเราไปฝึกจะตอนกลางดีกว่าคออเวลาเราอยากจะเดือดุราแล้วเราพยายามเฉล อย่าไปเดิมันก็จะทุกข์พมานใจแต่เมื่อเราสามารถเอาชนะความอยากได้ต่อไปความอยากโดยรายก็ไม่นีต่อไปเราก็จะสบายไม่ทุกกับเรื่องสุราีต่างหากความทุกกับความสุขนี่มันก็มันมีหลา ย, หลายห ล, ายหลายหลแ่หลายมุมเหมือนกันความทุกบางอย่างก็เป็นประโยชน์อย่ความทุกของพวกเราที่มาปฏิบัติธรรม น, นี่มันเป็นความทุกข์ในเรื่องต้น แต่มันจะเป็นความเสียเงินเรื่องทำงานเรื่องนเรื่องบ้านเรื่องบ้านเปล่าใครจะต้องตื่นมาจากเช้าจะเก็บกระจายขับรถมามาทําดุญมานั่งสมาธิอยู่นี้คนที่ท่าไปเที่ยวไปดูหนังฟังเพลงนี่จะทรมาร์มมากคือยู่ไม่ได้แต่ถ้าเขาอยู่ได้ต่อไปเ้าก็สบายเขาก็ไม่ต้องไปเที่ยวเขาอยู่อยู่บ้านเฉยๆเขก็เขาก็า อ, ยอยู่ได้<ม>นั่งอยู่ที่ไหนเฉยๆเขก็เขาก็ามีความสุขได้ มันก็จะทุกข์เพ่อความันทุกข์อความสุอยากสุขเ่ความทุกข์อยากไปเที่ยวอันี้มันสุขใช่ไหมไปเที่ยวกับพอกลับมาบ้านแล้วกระเป๋าครกระเป๋าแยบเงี้พวกนี้จะฮะจะเอาเงินที่ไหนไปซื้อข้าวกินเงินจะทุกข์แล้ทุกด้วยการต่อสู้กับความอยากไปเที่ย ว, ย ว, ด, ยยว ด, ดีกว่า เพนอยากจะไปเที่ยวก็ไม่ยอมไปเที่ยวยอมทุกยอมยอมยอมอยู่กับบ้านต่อไปความอยากเที่ยวมันก็จะเบาบาล ง, งไปจนหมดไปเลยเพรามันคึกันอยากที่ไรก็ไม่ได้ไปเที่ยวตั้งแต่ต่อไปนี้ก็ไม่อยากเลยต่อไปก็จะมีเงินเหลือใช้สบายใจไม่ต้องกังวลเรื่องทาเงเรื่องความ หรืออยาจะทำบุญกับหลวงาบ้างน้อยเท่าไหร่ก็ทได้อย่างี้นมกระต่ายเลี้ยงได้แล้วไปเที่ยวด้ะใช่ไห้าไปเที่ยวด่าแต่มันหมดได้เหมือยไปกระกุนอะไรเลยแล้วถึงแม้งันจะไม่หมดมันก <c oughs> ็อย <c oughs> <laughs> ู <Además of the stairs> me. afraid, harm, ่บ้านเฉยๆไม่ได้มันเ็าหนัแล้วไปเที่ยวมันก็เบื่อแล้วมอจะไปไหนแล้วมันไปนอนหมดแล้วมันก็จะทุกข์อีก ต้องเปแบบพวกเศรษฐีมหาเศรษฐีที่ต้องไปไปไปขึ้นขึ้นขึ้นกระโหขึ้นไปลอยนาวากาศเดอเงินก็ห้าร้อยล้านบา ท, ทแล้วก็ไปทรมานไปตายไปฝึกเป็นนั ก, กนอากาศนี้อพยพเสียงตายด้วยลุกไปแล้วจะได้กลับมาแล้วก็ไม่เสียเลยท้ายใส่แี่งาเงินห้าร้อยล้านนั่นไปทาดุล อย่บ้านสบายกว่าปลอดภัยกว่าม่ทั่ทานไม่เป็นคนวกนี้วิมืีนอย่างนี้ก็ไม่รหาทางที่จะวนไปก็ต้องออกไปเที่ยวเที่ยวเ่เบเที่ยวก็วนเวนางนี้รวงจรอุบายตอนนี้จะออกวงจรอุบายได้นี่มันถึงต้องต้องชรมาต้องต้องกดคุมถึงจะออกได้ หรือโชคดีได้เข้ากลุ่มแล้วก็ชวนไปแล้วเร า, เราก็กิดกลุ่มเข้าไปมันง่ายหนถ้าไปเองเนี่ยจะยากหน่ถ้ามีกลุ่มเดินไปเดินไปต่อไปมันจะง่ายขึ้นง่ายขึ้นเรื่อยๆต่อไปนี่มีใครเดินไปเราก็เดินเราก็เดินตัวเราไปด้วยกัน คนเชิงดิกรเทียี hm ้ก็จะไปดเที่ยวเหมือนกันเขาจะได้มวลคนกับคนกลุ่มแต่กเนคนละคนนะนอกจากบางครั้งางคราวมันมีความกําเป็เนี่ยความเต็มอกเตใจกันหรืออาจจะติ้งคนนี้จิดใจคนนี้แต่คนนี้ก็ชอบเข้าวัดก็ตางก็เข้าวัดไปต่อไปก็อาจจะเป็นิสัยเข้าวัดไปก็ได้อาจจะมีเหตุผลงอย่างทีเขาไปไปได้ งั้นถือว่าเป็นวงเป็นคอบเป็นพวกที่ได้เจอตอนนี้ตอนนี้เขาบอกว่าให้ทำเลยเขาบอกให้เขียนว่าให้บอกว่ามาจากใสยังไงแล้วก็ห้ามแก้ห้ม่เนตเตนตีอแปลว่าอะไรอะไรอย่างี้แต่มาไม่ได้แก้เรแต่เราไม่ได้แก้แต่เราตัดไอ้พวกนี้ที่มันไม่จำเป็นออกไป มันแค่ไม่ได้นัโอย้ยดีดีเขาก็จะมีบอกองอนหลอดจันแก่อาตมาแก่อยู่ตัวเดียวนะไอ้คำว่าเอ็นลสุดนี่เ <M. S 1> ้สังคางเงคมันจะ S A M C A แล้วก็ M 2. 2> อุดอถ้าคนนี้ไม่เข้าใจมันจะอาจาเป็นสังค้เพระมันเป็นตัวเอง เราก็เลยแก้มันเป็นเอ็นตีเลย<า> <laughs> จะได้ได้อ่านเนสัส้นกัอาจารย์ก้ยังไม่เป็นไแก้ใ้ให้มันอ่านถเพราะคนที่จานบอลีต้องเข้าใจหลักที่เขาที่เขามีตัวจิตะไเดยตัวทีนี่ก็ไม่ได้ อ, อห้ไม่ได้ออกถึงตัวทีนตัวทีนี้เออกเป็นตัี แกติสเนี่ยเขาเขียน C ถ้าเราอ่านเป็นภาษาอังกสตก็อ่านเป็นติสต์นะไม่ใช่ติสต์คือถ้าเอาคํำ C นี่มาแทนคำว่า C A หรือตัวตัวจอจานงภาษาไทยงั้นถ้าเห็นตัว C ในในในบาลีก็ต้องอ่านเป็นขึ้ต้องอ่านเป็นจอจานแล้วตัวดีนี่ก็จะอ่านเป็นตัวทอทหาร แต่วทหารของของภาษาไทยกับของบาลีออกสยงเหมือนกันอย่างถ้าภาษาไทยเขียนคำว่ทานก็จะอ่านเาก็ทานแต่ท้าเป็นบาลีต้องอ่านดานะบาลีกับไนี้จะใช้อักษรภาษาตัวเดียวกันแต่จะออกเี่อกันพอทานนี้เท่าก็นเขียบอกเนมา ไม่ใช่นิพานถ้าจอากเป็นนิบานะได้ได้อด่านหรือยงอ่านได้ลูกเคยเจอทําำเดียวขอใช้ได้ก็นี่ก็แปลมาจาก น, นิทานก็เข้าใจง่ายกว่ า, านิทานมาจากกำลังใจเรื่องอะไรส่ว ทีแกลูกนกว่าเป็นการูนเป็นการเียนี่ยวกบาเนี่ที่มารนไทบรเีะดังถ้าเอาบาหลีก็เป็นประดังถ้าเอาก็ออกู่ได้สองอย่างคุอข้ามันจะสวดได้สองแบบเ้าเรียกว่ามากคดกับกังโยก ถ้ารสวดสังโยนจะออกคนภาษาไทยหน่อยตามภาษาไทยหน่อยถ้าเป็นภ้ามหาอินกายจะเป็นสังโยนถ้าเป็นพระธรร ม, มยุจะเป็นเป็นบาลีเป็นุฒิผทางผู้ทางก็จะเป็นวุฒทางบุฒทง คนที่คืว่าอริคของเขาเลยเขาภาษาบาลีาพระวแต่ทีนี้พอคนไทยไม่รู้ภาษาบาลีก็อ่านตามภาษาอ่านตามออกอองตามภาษาไทยังาทางเดี๋ยวก็มีคนเ้ามาหรือก็มีคนที่ติดมือให้เวลาเดินลงไปก็สะดวกฝนตกตกนะเดินไม่สะดวกนคเดียวกรตอนเดินข้ามมด เมื่อการเดินเที่ยงคืา่้เอาลมอย่างกเสียไปทั้งตัวก็มีทีไม่รู้่ขอยู่คนถึงมา่หนถึงก็จะถึงมาด้เราจะกลับเลยหลากลับัไนจาลนนี้ไม่ได้ได้ทก็เดี๋ยวแขหรือให้คองก่อนเน ญาติวาเรติวานุติวาตาริตุลังตุตาตรา เทวเหนือิโตชินโตชาลิตาสติังปังังสุตุรโตสัตตาจโัาเรโยะโโยาิโวิวัตสัพพรโยต มาเนพะว่าต้าอยู่สุขอยู่ัเาาีวะสัาโดัวัที่อาว